ไปทำไมตายแล้วไปตอนที่ไม่ตายสิตอนที่สอาจารย์สุเมธบอกให้ไปไปต้องไปตอนที่ไม่ตายสิไม่ตายก็ไปตายแล้วไปทำไมฮะคนตายแล้วไปแล้วได้อะไรเดี๋ยวค่ะไอต้องไปตอนที่เป็นสิตอนแล้วนี่ตายแล้วอย่ามามาทํามาก็ไม่ได้พูดคุยแล้วเจ้าค่ะ แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ให้ไปนะเพียงแต่ว่า well ไปให้ม well? ันเกิดประโยชน์แล้วต้องไปตอนนี้ยังไม่ตายตอนที่ตายแล้วไปทําไมแต่แต่พราะว่าวันที่สี่นี้พระอาจารย์สุเมโตไปเทศนะอ่าจะจะกราบกราบที่ไหนก็มันก็เหมือนกันไม่ใช่หรือจ๊ะกราบที่นี่แล้วไปกราบที่หน้าศพมันก็มันก็กราบเหมือนกันไม่ใช่หรอเหมือนกันศพรู้หรือเปล่าว่าเรากราบท่านอ่ะกราบที่หน้าท่านแล้วกราบตรงนี้มันต่างกันตรงไหน กาบว่าเพราะว่าเราเคารพท่านเนี่แหละเคารพท่านกาบตรงนี้ไม่ได้ไหมได้เจ้าค่ะต้องไปกาบที่หน้าศพด้วยกาบหน้าศพก็ราะยาวหน้าใช่ไหมเพราะคนอื่นจะได้รู้ว่าเราไปใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่ไปกลัวจะเข้าว่ากลัวเข้าจะว่าเราใช่ไหม <c oughs> อันนี้พูดกันตามเหตุผลนะเจ้าค่ะเจ๊ะไหมคนตายแล้วไปกาบมันได้อะไรก็ไปตอนเป็นด้วย ตอนเขายังอยู่เอาขนมเอาของอะไรไปฝากก็เลยเขาจะได้ดีใจเห็นหน้าเราเราจะได้รับพรถ้าก็มีความรู้อะไรเขาก็จะได้สอนเราไปตอนตายแล้วไปได้ะไรเนี่ยพอเราชอบทำอะไรที่มันไม่ได้เรื่องไอท้ทีเวลาได้เรื่องไม่ชอบทำเนะี่ใช่ไหม อ, อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้ห้ามใครนะ นี่แต่พูดด้วเหตุด้วยผลเงินเราไปหาใครนี่เราไปหาเขาตอนเป็นหรือตอนตายดีกว่าใช่ไหมถ้าตอนเป็นเขามีเงินเขาอาจจะให้เงินเราก็ได้เขามีธรรมะเขาก็อาจจะให้ธรรมะเราเขามีอะไรเขาก็จะให้เราได้ตอนที่เขาตายแล้วก็ให้เราได้อถ้าจะกราบไปกราบเพื่อความเคารพกราบตรงนี้ก็ได้ ความเคารพเรามันอยู่ที่ที่หน้าสมแล้วอยู่ที่ใจเราอ่ะใช่ไหมเวลาเราเคารพใครเราเคารพที่ตัวเขาหรือเราเคารพที่ใจเราใจเราเคารพต่างหากกาเรามีความเคารพล้วกล่าวตรงไหนก็ได้งั้นก็ต้องไปกลาวพระพุทธเจ้าที่อินเดียสิทำไมมากล่าวหน้าพระพุทธรูปใช่ไหมกล่าวหน้าพระพุทธรูปก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไปกล่าวที่อินเดียไปกล่าวที่พระพุทธรูปนี้เหมือนกันไหม มันก็เคารพเหมือนกันไม่ใช่สแสดงความเคารพเหมือนกันเพราะการมีความเคารพนี่เป็นบุญนะเป็นบุญเป็นผู้มีความอ่อนน้อมเคารพนับถือผู้อื่นนแต่มาส ก, การ์ค่ะหลวงพ่อคือเมื่อสักสองวันน่ะมีเพื่อนมาระบายฟันมทุกขกับหนูเขาบอกว่า ต่หนูก็เฉยๆฟังเขารับฟังเฉยๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าโอ้ยเอะทุกข์เหลือเกินโอโหเลยท่าไม่คงไม่ขายแล้วของขนมจีนไปถวายวัดให้หมดเลยหนูก็เขาก็พูดพูดในเรื่องทุกข์ของเขาแล้วเจ้าค่ะแต่หนูก็เฉยๆเพราะเขาไม่ได้ถามให้ว่าแก้ยังไงหนูก็เลยสงสัยครับพระอาจารย์ครับทุกครั้งที่หนูทําทบุญหนูจะคิด กอดล่วงหน้าแล้วก็จะทําคือประมาณว่าคิดดีแล้วก็ทํา <Okay. S 2> แต่อันนี้หนูมีความรู้สึกว่าเขาทําเพื่อประชดในชีวิตของเขาเจ้าค่ะเราก็พยายามเราก็ไปทำบุญนะเจ้าค่ะ <Okay. S 2> รู้ยากทราบว่าไอสิ่งที่เขาทําเนี่ยเจ้าค่ะ <Okay. S 2> เขาจะได้อะไรจากที่เขาได้ทําบุญในวันนั้น <Okay. S 2> ไหมครับค่คะอ๋อได้เขาก็ได้ได้เสียสละเขาของของเขาไปแล้ว <Okay. S 2> เรื่องจิตใจเพีย ง, งแต่ว่ามันได้แบบ ได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวมันต้องมีเหตุต้องมีอะไรถึงทําไม่ได้ทําแบบเป็นนิสัยแล้วไม่ได้อ่านะมันก็ได้ได้ตอนนั้นอะ่ะให้เท่าไหร่ก็ได้ตอนนั้นะแต่พอเดี๋ยวต่อไปสบายใจก็เลิกให้แล้วะใช่เวลาให้ได้เพียงแต่ว่าให้แบบนี้มันเป็นให้แบบก็ตาย เคยห็นเรื่อกระต่ายกับเต่าไหมแข่งกันนี่ใครชนะกระต่ายนี่เวลามันวิ่งมันวิ่งเร็วกว่าเต่านะแต่มันวิ่งแล้วมันหยุดมันไหนมันอยากจะวิ่งมันก็วิ่งวันไหนมันไม่วิ่งมันก็นอนมันก็เล่นส่วนเต่านี่มันคานไปเรื่อยๆมันไม่หยุดถึงแม้ว่าจะช้าแต่มันไปแบบไม่หยุดเทําไปทํามาเต่ามันถึงหลักชัยก่อนกระต่าย ใช่ค่ะพ่อหนูก็เขาไม่ได้ถามหนูหนูก็ทําตัวเฉยๆเพราะก็อย่างนี้ก็ถูกต้องใช่ไหมคะเขาเมื่อเขามาเพื่อระบายเจ้าค่ะอ๋อก็ดูว่าเขาเขาอยากจะฟังเราเปล่าถ้าเขาอยากจะพูดก็ไม่อยากจะฟังเราเราก็ไม่ต้องพูดแต่ถ้วเขาถามว่าเอ๊ ะ, อะทำไงดีวะทุกข์เหลือเกินอ๋อก็อาจจะบอกเออก็ลองทําบุญสิลองให้อภัยคนที่เขาทําให้เราโกรธสอิอย่างนี้ก็พูดได้ แต่ถ้าเขาไม่ตั้งใจจะมาฟังแล้วเขาตั้งใจยาให้เราฟังเขาเราก็ฟังไป เ, เขาก็ใส่ใส่ใส่ก็แล้ เ, เรื่องทุกข์ของเขาแล้ว เ, เ, เขาพูดเสร็จแล้วลองลองถามเขาว่าเราอยากจะทำให้หายทุกข์ไหมล่ะ เ, เราก็ถามก็ได้ถ้าเขาบอกเออก็อยากเหมือนกันทายังไงเราก็พูดต่อไปได้หลวงพ่อเจ้าคะหนูก็เคยชวนนะเจ้าค่ะเราบอกว่าเออเอ๋อเออมาอาทิตย์ละครั้งตรงนี้มากับเพื่อนไหม ชวนมาเป็นปีแล้วเจ้า่ะก็ทั้งก็ไม่มาก็แล้วไปเราก็าพูดแค่นั้นเจ้า<ๆ>ค่ะเราก็เชวญเขาแล้วถ้าก็เขาไม่อยากมาชวนยังไงเขาก็ไม่มาเจ้าค่ะงั้นชวนหนเดียวหรือชวนร้อยหนมันก็เหมือนกั น, นเช้าค่ะแต่ถ้าก็อยากจะมาชวนหนเดียวเขาก็มาเจ้าค่ะเรื่องเรื่องกราบศพนี่ก็คือเปรียบเทียบให้ฟังว่า ระบัางยังไม่ตายกับตายเนี่ยตอนที่ไปหาเขาตอนที่ยังไม่ตายมันดีกว่าเขาดีใจเห็นเราไปหาเขาไปเยี่ยมเขาแสดงว่าเขารักเรารักเขาคิดถึงเขาหรือเขารบเขาเราก็ไปหาเขาเรามีอะไรเราก็เอาไปฝากมีของขวัญมีอะไรเราก็เอาไปเขาก็ดีใจเราก็มีความสุขใจได้คุยกับเขา ถ้าเป็นพระเขามีธรรมะเขาก็พูดธรรมะให้เราฟังเราก็ได้ประโยชน์นี่คือพูดเปรียบเทียบไม่ฟังไปตอนเป็นกับไปตอนตายประโยชน์มันได้มันต่างกันไปตอนตายได้อะไรเขาก็ตายเขาไม่รู้เรื่องว่าเราไปของที่เราไปให้เขาก็ไม่ได้รับใช่ไหมของเราไปก็เป็นของคนอื่นไปเป็นของวัดเป็นของลูกเส์ลูกหาหรือใครไป ธรรมะเราก็ไม่ได้ฟังจากท่านถ้าเชือไปเพื่อแสดงคารวะก็แสดงที่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยหาผ้าของท่านมาตั้งไว้ที่ข้างหน้าแล้วก็กราบแล้วก็แสดงคารวะแล้วเราแสดงให้ใครเหรอแสดงให้เราหรือแสดงให้คนอื่นนะต้องให้คนอื่นเขารู้เลยว่าเราแสดงคารวะเราคารวะไม่คารวะมันอยู่ในใจเราไม่ใช่หรือ คนที่ไม่คารวะไปกราบหน้าโศพเขาก็มีไม่ใช่เลยแต่ไม่ได้คารวะในใจคารวะเพะมันเป็นหน้าที่ของสังคมบางทีเกลียดกันโกรธกันในใจแต่ก็ต้องไปกราบอันนี้อันนี้เป็นการไปแสดงไม่ได้ไปแสดงความเคารพจริงถ้าเคารพจริงเราก็กี่ที่ไหนก็กราบได้ แต่ที่เราไปหน่าศพเพราะจะได้มีคนรับรู้ว่าเออเรามากาบศพคนนี้นะถึงบอกว่ า, าถ้าจะไปไปตอนเป็นดีกว่าได้ประโยชน์หลายอย่างไปเราก็จะได้เอาข้าวของเงินทองไปให้ท่านได้ทำบุญกับท่านแล้วท่านก็ได้โปรดสั่งสอนธรรมะให้กับเรา เหมือนกับพระพุทธเจ้าตอนนี้ไปกราบที่สังเวชนียสถานได้อะไรกราบหน้าพระพุทธรูปต่างกันตรงไหนกราบตรงนี้กลับไปกราบที่อินเดียมันต่างกันตังไหนมันก็เพียงแต่แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองซึ่งการแสดงความเคารพก็เป็นบุญการมีความเคารพนับถือผู้ที่สูงกว่าเรา การอ่อนน้อมทําตนนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอเดี๋ยวถ้าจะพูดเอาใหม่มาพูดคนอื่นก็จะได้ยินนะถ้าเราเราจะน้อมกราบเอาเ อ, าเอาาพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจนะคะทีนี้เราไม่รู้พระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยรูปท่านบางมาอันก็เป็นรูปท่านนะเนี่ยคะแล้วก็คือพระพุทธรูปที่เป็นรูปปั้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็รูปท่านที่เป็นบางรูปก็เป็นรูป เออขาวดำแล้วก็บางรูปก็ที่บัมเพญทุ ก, ก, กรกียาแต่ทีนี้โยมว่าบางทีนี้พอมามีหนังพระพุทธเจ้ารูปของดาราคนนั้นอนะ่ะก็จะขึ้นมาว่าอันเนี้ยทีนี้เราจะน้อมนําองค์ไหนอยะเข้ามาในาเราไม่ได้กราบรูปท่านเรากล่าวพุทธคุณพุทธคุณกราบคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่เราสวดอิปิปิโสภะกวา อ <pies> ร, รหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนกระดับตรงนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังแปลว่าผู้สิ้นกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดสั้นรู้ด้วยตนเองโดยชอบอันนี้กราบตรงนั้นกระับคุณสมบัติกราบกราบความสามารถ <depend> ไม่ได้กราบหน้าตาของท่าน <IRA> อิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนผู้พร้อมด้วยวิชา ความรู้ธรมปนโนสุขโตเป็นผู้มีความสุขไปเป็นผู้ไปดีสุกโตไปสู่สุขคติคอันนี้ต่างหากที่เรากลับสวดกันทุกงวันแต่ไม่รู้ความหมายสวดอะไรกันวันยังสวดแล้วต้องไปอ่านคำหมายแปลความหมายสุกโกโตจำไม่ได้ถ้าต้องสวด ย, ยาวไปสึงจะจำได้ โลกกวิถูอนุภาผู้รู้โลกโลกกวิถูอนุสัตตโลกกวิทูททปุริสธรรมสารถิปันผู้เป็นสารถเป็นผู้อะไรไม่รู้ไปความหมายไปนี่คือคุณสมบัติความ<ช>สามารถของพระพุทธเจ้าเร า, ากราบพุทธคุณกราบธรรมคุณกราบสังฆคุณ เพราะว่ามันเป็นสิ่งคุณวิเศษไงเพราะนานๆจะมีคนมีคุณสมบัติอย่างนี้คนสิ้นกิเลสเนี่ยพวกเราเกิดมาเคยเจอกันบ้างบ้ามีแต่กิเลสเต็ไมไปหมดซ้ายขวาด้านหลัง <c oughs> ด้านหน้าด้านหลังอันไปทางไหนก็เจอกิเลสทั้งนั้นเนะ <c oughs> เจอคนที่ไม่มีกิเลสนี่หายากจะตายยิ่งกว่าแพทย์เน้นจินดาสิสเน็นเรียกวัตนะนพุธรัตนะ ธรรมรัตรนะสังขรัตรนะการว่าเป็นสิ่งที่หามีค่าหายากอย่างยิ่งยากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาที่เราหากันเนี่ยหาเพชรนี้ก็ยากแสนยากแล้วหาคนที่สิ้นกิเลสนี้ยากมากคาว่าอารหันต์คือผู้สิ้นกิเลสอรหันต์นี้แปลว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสอรหันต์นี้ก็มีสองสองแบบสิ้นกิเลสด้วยตนเอง แล้วสิ้นกิเลสด้วยด้วยคาสอนของผู้อื่นพระพุทธเจ้า น, นี้เป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยตนเองคือไม่มีใครสอนสอนตัวเองเพราะไม่มีใครสิ้นกิเลสถามไปถามใครมองไปทุกแห่งทุกคนก็มีกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตอนก่อนจะตัดสรู้ท่านก็ไปศึกษากับกูบาอาจารย์ต่างๆกูบาอาจารย์ต่า ง, างๆก็ไม่รู้จะกาจัด ก, กิเลสได้ยังไง ลูกๆ ก, ก็มีกิเลสทั้งนั้นทำได้ก็เพียงแต่กดมันไว้ชั่วคราวเวลาเข้าสมาธิจิตสงบกิเลสมันก็หยุดทํางานไปเรียนรู้จากอาจารย์สองรูปท่านก็สอนให้จิตสงบให้หยุดกิเลสได้ชั่วคราวให้เข้าฌานไปเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานอพอจิตอยู่ในฌานกิเลสก็หยุดทํางานแต่พอออกจาก ชาออกมาออกจากสมาธิกิเลสมันก็กลับมาทำงานต่อไม่มีใครรู้วิธีฆ่ามันรู้เพียงแต่วธิธีขังมันไว้ชั่ว ข, ข่าวขังไว้ในกงของสมาธิในที่สุดพระองค์ก็เลยต้องค้นหาวิธีกำจัดมัน <Okay. S 2> <it> <t achi> ก็เลยได้ค้นพบวิธีในพระอริยสัจสีว่ากิเลสเกิดจาก เกิดเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งที่โลภนั้นมันเป็นทุกข์ไปคิดว่ามันเป็นสุขไม่เห็นว่ามันเป็นตายลักไม่เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ยเดี๋ยวมันกลายเป็นความทุกข์เข้าใจหม ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์กับมันไหม<ช>ได้แฟนมาเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับแฟนได้ลูกเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับลูกเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่เหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆตอนที่ได้มาใหม่ๆนี่เหมือนของที่แกะกล่องเนี่ยใหม่เอี่ยมดีพอใช้ไปสักพักเดี๋ยวเริ่มเสียแล้วเริ่มรวนละทุกอย่างเป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงห้ามมันไม่ได้อนาตตาหรือว่าห้ามมันไม่ได้ พอมันไม่เที่ยงก็เลยทําให้เราทุกข์ใช่ไหมเพราะมันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้มันก็เลยเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเนี่ยเพราะไม่เห็นไตายรักมันก็เลยไปเกิดความโลภเกิดกิเลสขึ้นมาที่พระพุทธเจ้านี่ท่านฉลาดท่านมองเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นตายรักทุกอย่างมันเป็นทุกข์ก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่โลภดีกว่าเพราะไม่โลภก็เลยท่ากิเลสได้ เวลาโรค ก, ก็ไม่เอาเพราะไม่มีโรค ก, ก็ไม่มีโกรธเพราะอะไรเพราะที่โกรธเพราะมันได้มันโลคแล้วไม่ได้มันก็โกรธใช่ไหมอยากจะได้นูน่นนนนี่เขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาไหมใช่ไหมเนี่ยถ้าถ้ารู้แต่ต้นว่าถ้าอยากจะได้แล้วไม่ได้ก็จะเสียใจก็อย่าไปอยากมันส่อย่าไปโลภมัน ต้องรู้ว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนได้มาแล้วอาจจะอยากจะได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เสียใจดังนั้นก็จะทำให้ไม่เอาดีกว่าไม่โลภดีกว่าไม่โลภแล้วก็ไม่เสียใจเพราะถ้าโลภแล้วไม่ได้ก็เสียใจใช่ไหอโกรธแต่ถ้าไม่โลภจะเสียใจไหมไม่เสียใจก็เลยตัดความโลภได้ เมื่อเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอได้มาแล้วก็จะจะเปลี่ยนไปจะหมดไปหรืออยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจก็เป็นว่าทุกทั้งนั้นทุกทั้งขึ้นทั้งล่องอทุกตั้งแต่ยังไม่ได้อได้มาก็ทุกอีกแบบหนึง่งได้มาก็ต้องทุกข์กับกลัวมันจะหมดอกีกกลัวมันจะเปลี่ยนอกีกแล้วกลัวยังไงมันก็เปลี่ยนอยู่ดีมันก็หมดอยู่ดีอ นี่เรียกว่าถ้าเห็นตายรักมันก็จะไม่โรคเพราะจะฆ่ากิเลสได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านท่านมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นตายรักท่านก็เลยเป็นอหรหันต์ขึ้นมาหยุดความโรคความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆหยุดความอยากได้รู้เสียงกลิ่นล้เพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงหยุดความอยากมีอยากเป็น อยากรวยอยากได้ลาบยศสรรเสริญก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวกขาไปจากเราท่านก็เลยไม่อยากดีกว่าปล่อยมันไปอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่แบบไม่มีอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบที่ได้จากสมาธิก็พออันนี้ก็เลยได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ด้วยตนเองได้เป็นพระอารหันต์ขึ้นมาเราถึงเรียกว่าพระอารหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอารหันต์ด้วยการด้วยการจัดสรู้ด้วยตนเองรู้วิธีที่ทำให้ตนเองเป็นพระอารหันต์ส่วนพวกที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้านี่แล้วก็เอาไปปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าอยากจะฆ่ากิเลสก็อย่าไปทำตามมัน ให้มองให้เห็นว่าทุกอย่างที่กิเลสอยากได้มันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกเพราะว่าเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้พอเอาไปปฏิบัติกิเลสก็ตายหมดพวกนี้ไม่เรียกตนเองว่าเป็นอรหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าเรียกว่าอรหันตสาวกพระสาวกพระอรหันตสาวกพวกนี้สาวกแปลว่าผู้เรียนผู้ฟังคาว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟัง ผู้ฟังก็คือนักเรียนใช่ไหมอาจารย์เป็นผู้พูดนักเรียนเป็นผู้ฟังฟังจากใครก็ฟังจากพระพุทธเจ้าก่อนจะมีพาาระอรหันตสาวกได้ต้องมีพาาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วก็ถ้าเป็นพระพระพุทธเจ้าแต่ไม่สอนก็จะไม่มีพาาระอรหันตสาวกถ้าเป็นพระปเจ ก, กับพุทธเจ้าแปลว่า เป็นพราอาหารหันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่สอนใครไม่สอนใครขี้เกียจสอนอก็เลยไม่สอนอไม่สอนก็เลยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเป็นพาาาระอนหันตสาวกได้เพราะไม่รับนักเรียนอยู่คนเดียวสบายกว่าไม่เหนื่อยเนี่ยมีนักเรียนก็ต้องพูดพูดแล้วก็เหนื่อยปากเสียปากสีกทุกวันเรื่องใจบ้าง ถ้ไม่ถ้าไม่พูดไม่สอนก็สบายใครมาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปไม่บอกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่บอกว่าเป็นอะไรใครอยากจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทําไปไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้ก็พระปเจิกบพุทธเจ้าเจอฆ่ากิเลสได้ด้วยตนเองแล้วแต่ไม่สอนใครอย่างพระพุทธเจ้าของเราตอนต้นก็คิดจะไม่สอนใคร ตอนที่ตัดสู่ในวันเพ็ญเดือนหกเนี่ยวันวิสาขาบูชาแล้ตอนนั้นก็มานั่งคิดดูว่าจะทำไงดีจะสอนไม่สอนตอนต้นก็บอกไม่สอนดีกว่ารู้สึกว่ามันยากสอนให้คนที่เขาเขาเขาเขาชอบความสุขเขาชอบความโลภความโกรธนี่ไปสอนให้เขาเลิกนี่มันยาก mm hmm. ก็เลยตอนต้นคิดจะไม่สอน แล้วตามนิทานก็เล่าว่าพระเท้ามาหาพมก็มาขออัลาธนาให้พระพุทธเจ้าทรงเมตตาต่อสัตว์โลกให้ทรงวินิจฉัยว่าสัตว์โลกนี้มีไม่เหมือนกันทุกคน อ, อพวกที่สอนได้ก็มีพวกที่สอนไม่ได้ก็มีพวกที่ไม่สอนไม่ได้ก็อย่าไปสอนคือพวกที่ไม่ฟัง อ, อ สอนพวกที่เขาอยากจะฟังอยากจะรู้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยพิจารณาเออคนที่สอนได้ก็มีคนที่สอนไม่ได้ก็มีคนที่ฉลาดที่รู้เร็วก็มีรู้ช้าก็มีก็เลยตัดสินใจสอนแต่เลือกสอนคนที่ฉลาดก่อนเพราะมันง่ายพูดสองคำก็เข้าใจ พวกที่ฉลาดก็คือพวกนักบวชทั้งหลายพวกที่ได้สมาธิได้ฌานแล้วเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่เขาติดอยู่ตรงปัญญาตรงที่ว่าวิธีฆ่ากิเลสฆ่าไม่เป็นมีเครื่องมือมีศีลมีสมาธิเป็นเครื่องมือแต่ไม่มีไม่ไ ม, ไมีไม่รู้ว่าวิธีฆ่ากิเลสฆ่า ย, ยังไง ừ, ก็เลยไปสอนพวกนี้ก่อน ừ, กลุ่มแรกก็พระปัญจวคีห้าคน ที่เคยติดตามพระพุทธเจ้าพอสอนครั้งพูดครั้งเดียวครั้งแรกก็หนึ่งในห้าก็บรรลุขั้นที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอสอนครั้งที่สองขั้นที่สามก็บรรลุเป็นพระอหรหันต์กันหมดเลยสอนเพียงสองสามครั้งนั้นเองตรงนี้เขาเขามีเครื่องมือเขามีศีลมีสมาธิเอพอบอกให้เขาหยุดกิเลสเขาก็หยุดได้ เมื่อก่อนก็ไม่รู้ว่ากิเลส น, นี่เป็นตัวที่ทำให้เข า, าทุกข์กันตอนหลังพระเจ้าบอกเนี่ยความโลภความอยากต่างๆนี่เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปทำตามมันอย่าไปอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปอยากให้มันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็ต้องหยุดมันอย่าไปทำตามมันทำตามมันแล้วมันไม่มีวันหยุด ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันอย่างง่ายได้แล้วพอต่อไปก็ไปสอนพวกนักบวชสํำนักอื่นบางทีมีนักบวชอยู่ในส้ำนักหนึ่งห้าร้อยคนพอฟังเสร็จก็บรรลุห้าร้อยคนพร้อมกันเลยนีตอนนี้นั่นกี่คนเนี่ย <c oughs> บรรลุกันบ้างไมนะ่ล <c oughs> ที่ในบรรลุเพราะอะไรเ <c oughs> พราะไม่มีสมาธิไม่มีกำลังสู้กิเลส <c oughs> หยุดกิเลสไม่ได้ต้องไปหันหยุดกิเลสก่อนหยุดด้วยสมาธิพอมีกําลังหยุดแล้วพอมีปัญญาก็จะรู้ได้รู้ว่าใครอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสเพราะความโลภมันมีความโลภที่เป็นกิเลสกับความโลภที่ไม่เป็นกิเลสฉนันอยากทาบุญนี้ไม่เป็นกิเลสอย่าไปหยุดกิเลสแบบนี้อย่าหยุดความอยากแบบนี้อย่าหยุดอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากไปวัด อยากนั่งสมาธินี่ไม่ใช่เป็นกิเลสอยากไปฆ่ามันฆ่าความอยากไปเที่ยวเนี่ยอยากซื้อกระเป๋าอยากซื้อรองเท้าอยากซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอยากรวยอยากสวยอยากงามเนี่ยอยากหลออยากอายุยืนยาวนานอยากมีสุขภาพแข็งแรงอะไรพวกนี้ความอยากเหล่านี้ต้องฆ่ามันเพราะมันจะทาให้เราทุกข์ แต่ความอยากทําบุญนี้ไม่ทําให้เราทุกขถ้ามีเงินก็ไปทําไม่ทุกะททาบุญแล้วมีความสุขอยากรักษาศีลก็มีความสุขอยากนั่งสมาธิก็มีความสุขอันนี้ต้องมีปัญญาถึงแยกแยะได้ว่าความอยากแบบไหนเป็นความสุขความอยากแบบไหนเป็นความทุกข์พอรู้ว่าตัวนี้เป็นความทุกข์พอโผล่ขึ้นมาก็ไม่เอาพอจะไปเที่ยวไม่เอาเอาเงินไปเที่ยวไปทาบุญดีกว่า พอจะไปซื้อกระเป๋ารองเท้าไม่เอามีแล้วของมีแล้วถ้าไม่มีก็ซื้อได้ถ้ามันจำเป็นต้องใช้มันไม่มีก็ซื้อมันแต่ถ้ามีแล้วก็ใช้ของเก่าไปก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าค่ากิเลสพอมันอยากให้เราทำอะไรเราไม่ทำตามมันต่อไปมันก็ไม่มาชวนเรามันอยากจะให้เราสูบบุหรี่เราไม่สูบเดี๋ยวมันก็หยุดชวนเรามันอยากให้เรากินเหล้าเราไม่กินเหล้ากับมันเดี๋ยวมันก็หยุดเอง นี่คือวิธีฆ่ากิเลสก็ค<ร>ืออย่ายไปท <van fucking mad consultation> ําตามมัน <Christianity> มันมาชวนอย่าไปกับมันถ้าไปแล้วมันจะกลับมาชวนเราเรื่อยๆแต่ถ้ามันมาชวนเราแล้วเราไม่ไปเดี๋ยวมันก็ไม่มาชวนเราไม่เชื่อลองดูดลเพื่อนฝูงมาชวนเราไปทํานู่นทำนี่ถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเขาไม่มาชวนเราชวนแล้วไม่ไปเขาก็เสียเวลาเขาเปล่าๆเขาก็จะไม่มาชวนเราออันนี้หล่ะคือวิธีฆ่ากิเลส แต่จะต้องรู้ว่าตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนไม่เป็นกิเลสก็ต้องมีปัญญาเพราะจะรู้ว่าตัวไหนเป็นกิเลสเพราะทําแล้วมันทุกข์ถ้าไม่มีปัญญาจะมองไม่เห็นว่ามันทุกข์จะเห็นว่ามันสุขเช่นไปเที่ยวนี่มันจะเห็นว่าสุขถ้าไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญามันเห็นเนี่ามันทุกข์ทุกขเพราะอะไรเพราะว่ามันสุขเดียวเดียวสุขตอนไปเที่ยว พอกลับมาบ้านก็ทุกข์เหมือนเดิมก็ต้องออกไปเที่ยวใหม่เที่ยวใหม่กี่ครั้งกลับมาก็ทุกข์เหมือนเดิมไม่เห็นไม่เห็นทุกข์ที่เกิดจากการไปเที่ยวถ้าไม่ไปเที่ยวถ้าอยู่บ้านได้มันก็ไม่ทุกข์ถ้าหยุดความอยากไปเที่ยวได้มันก็ไม่ทุกข์อยู่บ้านก็สุมีสบะสุขสบายใจอันนี้ต้องมีปัญญาต้องเห็นว่า อความอยากแบบไหนทำให้เกิดทุกข์ความอยากแบบไหนไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์ทำบุญไม่เกิดทุกข์ทำแล้วมีความสุขแล้วเวลาไม่มีเงินทำก็ไม่ทุกข์รักษาสีลก็มีความสุขรักษาสีลก็ง่ายอยู่เฉยๆนี่ก็มีสีลกันหมดนี่ตอนนี้พวกเรามีสินกันทุกคนใช่ไหมสีลห้าสิน 5, สิบสีลกี่ร้อยข้อนี่มีหมดเลย พ อ, อไรพาะไม่ได้ทำอะไรไนั่งเฉยๆนี่ก็มีศีลแล้วแต่เรามันนั่งไม่ได้นานนีเดี๋ยวกิเลสโผเ่ขึ้นมาศีลขาดเลยเดี๋ยวเย็นนี้อยากกินข้าวเย็ยนศีลก็ขาดเลยเดี๋ยวคนถือศีลห้าเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าเดี๋ยวศีลก็ขาดนี่นี่คือปัญญาต้องมีปัญญาให้รู้ว่า อ, ะ, อะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลส ความอยากที่ทําให้เราทุกข์นี่ยเป็นกิเลสความอยากที่ทําให้เราไม่ทุกข์นี่ไม่เป็นไม่เป็นกิเลสเราก็หยุดไอ่ความอยากที่เป็นทุกข์ความอยากที่ไม่เป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องหยุดมันพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือฆ่ากิเลสด้วยตนเองแล้วเรายังไปสอนคนอื่นด้วยถ้าไม่ได้สอนก็เรียกว่าเป็นพระปเจกะพุทธเจ้า ก็เลยเป็นพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมีพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยมีพระอาหันตสาวกเพราะไปสอนต้องไปหาคนไปหานักเรียนยพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสอนครั้งแรกนี้ไปเลือกดูก่อนว่าสอนใครดีวะสอนคนโง่ดีสอนคนฉลาดดีระหว่างทางก็ไปเจอคนโงค่คนหนึ่งเป็นพรามเงยเนี่ยถามว่าท่านเป็นใครจะไปไหน เราเป็นพระหลันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปประกาศพระธรรมคำสอนอเออดีดีก็แค่นั้นไม่ไม่ถามมันจะสอนอะไรถ้าเจรจาดมันต้องถามนะท่านจะสอนอะไรอันนี้ไม่ไม่พูดแบบไม่เชื่อเลยครับเป็นเป็นพระพุทธเจ้าโอเคจะไปสอนก็ไปสอนแต่กูไม่สนใจท่านก็เลยไม่สอน เดีนักเรียนคนแรกมันไม่ฟังอ่ะมันไม่ยินดีจะฟังก็เลยไม่สอนก็เลยมุ่งไปหาคนที่จะจะจะฟังตอนต้นก็ไม่แน่ใจว่าพระปัญจวคีจะฟังหรือไม่เพราะเมื่อก่อนก็เป็นสาวกติดตามอยู่พอพระพุทธเจ้าเลือกกดอาหารก็คิดว่าพระพุทธเจ้านี่แพ้และแพ้กิเลสสู้กิเลสไม่ได้ก็เลยเสื่อมศรัทธาแยากตัวไม่ไปอยู่ไม่ติดตามพระพุทธเจ้า พอพระพุทธเจ้ามาหาตอนต้นก็ลังเลว่าจะทำไงดีวะจะต้อนรับดีแล้วจะจะถอยดีแต่พอท่านเดินมาใกล้รู้สึกว่าราศีรักษหนีของพระพุทธเจ้านี่มันเป่งออกมาทำให้ทำให้เกิดความเขาลบขึ้นมาก็เลยต้องพอท่านมาก็รีบกุลีกุจอต้อนรับขับจัดที่นั่งหาน้ำมาให้ท่านดื่มกราบท่านถามสารทุกข์สุขดิบ พอพระพุทธเจ้าเห็นว่าเขายินดีที่จะพบปะรับฟังคําสอนพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีนี่ก็พอสแสดงไปไม่กี่ครั้งก็ได้พระอรันต์โผล่ขึ้นมาห่าลูกแต่เรียกว่าเป็นพระอรันต์ตาสมุทไม่ได้เป็นพระอรันต์ตสามมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ได้รู้วิธีฆ่ากิเลสด้วยตนเอง ใครที่ต้องไปเรียนวิธีฆ่ากิเลสจากคนอื่นนี่เรียกตัวเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกได้เพียงแต่ว่าเป็นพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้าจึงมีสองแบบพระอรหันตาพระสาวกก็พระพระอรหันตก็มีสองแบบพระพุทธเจ้าสองแบบก็คือแบบหนึ่งเพราะเป็นแล้วไม่สอนใครเรียกว่าพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าอีกแบบหนึ่งเป็นแล้วสอนก็เรียกว่าพระอรหันตสามมาสามพุทธเจ้า ส่วนพระอรหันต์ก็มีสองเป็นเองเป็นด้วยตนเองศึกษาวิธีทําให้ตัวเองเป็นพระอรหันต์กับเป็นได้เพราะคนอื่นสอนพวกพวกที่ฟังทำจากพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระอรหันต์นี้เรียกว่าเป็นพระสาวกทั้งนั้นเห็นพระอรหรันต์ษสาวกนี่คื อ, เ, อเรื่องของ บุคคลในศาสนาพุทธเรายาภาษาโลกนี้กว่าจะไปถึงพระอันตสาวกได้ก็ต้องขึ้นไปสามสี่ขั้นด้วยกันไม่ใช่เป็นปุ๊บจะเป็นพระอันารได้เลยต้องเป็นพระโสดาบันก่อนจากพระโสดาบันก็ไปเป็นพระสกิฎารคามีจากพระอนาคามีก็ไปเป็นพระสกิฎาก็เป็นพระอนาคามี ถึงจะเป็นผ้าอาหารหันต์ได้เหมือนเรียนหนังสือต้องจบปวสก่อนจบปวสก็ไปต่อปอตีได้พอได้ปอตีก็ขึ้นปอโทได้พอได้ปอโทก็ขึ้นปอเอกได้ถึงเวลาที่เราสวดบทชสังฆกุลท่านึึงแบ่งบุคคลไว้สี่คู่แปดจำพวก สีค่คูก็คือสี่ขั้นแต่ละขั้นนี้แบ่งเป็นสองสอ ง, สองตอนตอนเรียนกับตอนจบนพระจะเป็นพระสวัสดาบาลได้ต้องเรียนก่อนเรียนนิทรีเป็นพระสวดาบาลช่วงที่เรียนนี่เรียกว่าเป็นมร์เป็นสวดาปฏิมร์เหมือนนักศึกษาที่เข้ามาหลาลัยปีอ่ปีหนึ่งี่ก็เป็นยังไม่จบปอตี ต้องศึกษาสี่ปีช่วงนั้นเราเรียกกามากัคช่วงที่กําลังศึกษาเพื่อจะให้ได้รับบปิญญาตรีนี่เรียกว่ากําลังเจริญมัคพระโสดาบันนี่ก็เหมือนกันก่อนจะเป็นพระโสดาบันได้จะต้องเรียนก่อนเรียนอะไรเรียนให้รู้ว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราต้องปล่อยร่างกายให้ได้ ปล่อยความแก่ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายให้ได้ถ้าเราไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเราก็จะเป็นผ้าโสดาบันได้จะไม่ไม่กลัวก็เพราะต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นเราเราไปตัวเรียกว่ามันเป็นเรา <OR> เพราะเราไม่มีร่างกายเราเป็นมนุษย์ล่องหนก็ยัง ไ, ไม่ใช่มนุษย์แต่เราเป็นบุคคลล่องหนล่องหนเป็นจิตวิญญาณ เป็นดวงวิญญาณเป็นผู้รู้ผู้คิดที่มาเกาะติดกับร่างกายนี้เพื่อใช้ร่างกายนี้ไปทำอะไรต่างๆเหมือนสมัยนียเราเป็นคนคุมกล้องกล้องโ ท, ทรศัพท์มือถือเราอยากจะถ่ายภาพเราก็ต้องมีกล้องเราอยากจะอัดเสียงเราก็ต้องมีกล้องอมีมีเครื่องอัดเสียงในร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องเหมือนเครื่องอัดเสียงเราอยากจะดูภาพก็ต้องมีตา เราอยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหูนาฬิกานี้มันเป็นเครื่องมือให้เราสามารถรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดถะได้เท่านั้นเองมันเป็นเครื่องมือมันไม่ได้เป็นเราแต่เราไม่รู้เราหลงกันพอเราได้ร่างกายมาเราก็ไปคิดว่าเรามันเป็นเราอพอมันเป็นเราเราก็ไปรักไปหวงมันนไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย เพราะถ้าไม่มีมันเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูไปฟังไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราเลยรักร่างกายนี้มากหวงร่างกายนี้มากหวงยืนขน้างไม่ยอมให้มันแก่ไม่ยอมให้มันเจ็บไม่ยอมให้มันตายพอมันแก่ก็ทุกข์ขึ้นมาพอมันเจ็บก็ทุกข์ขึ้นมาพอมันตายก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนกล้องเหมือนมือถือเนี่ยมันไม่ได้เรา มันเสียก็เสียไปมันพังก็พังไปก็อาจจะเสียใจนิดหน่อยที่ไม่มีมันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มีเงินก็ซื้อเครื่องใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเหมือนมือถือที่เราเอามาใช้อยู่เนี่ยมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ต้องยอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายตายก็ไม่เป็นไรถ้ายัางอยากได้มันใหม่ก็ไปหาใหม่ได้ไปเกิดใหม่ได้ ถ้าเป็นถ้าศึกษาเข้าใจแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันไปทนะั่นอย่าไปกลัวมันนะั่นเองแก่ก็ปล่อยมันแก่เจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีกเดือนก็หกเดือนก็หกเดือนแต่ใจไม่รู้สึกอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นโสดาบันไดแล้วไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตาย เพราไม่ใช่เรามันเป็นมือถือเครื่องหนึ่งนั่ก็ไม่เป็นไรา ไ, ไม่มีมันเดี๋ยวเราก็ไปหาเครื่องใหม่ได้ใช่ไอันนี้นีก็คือวิธีศึกษาต้องคอยสอนอยู่เรื่อยๆตอนต้องก็ทำการบ้านก่อนสอนแล้วก็หัดทำการบ้านเอามาท่องจาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่เราเนะมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ออ น, นันตตาแปลว่าห้ามมันไม่ได้อันนี้จะคือไม่เที่ยง มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาที่ทุกข์เพราะว่าไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าให้ไปอยากให้มันเที่ยงสิมันไม่เที่ยงก็ปล่อยมันไม่เที่ยงเหมือนมันเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้มันเป็นส้มถ้าอยากให้มันส้มมันก็จะทุกข์เพราะมันไม่ได้มันยังไงก็ต้องเป็นกล้วยอย่างนั้นกล้วยก็ต้องเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้มันเป็นส้ม ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนี่จะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ต้องไปพิสูจน์ดูรอดูเวลาผมหงอกขึ้นมาหนังเหี่ยวขึ้นมามีสิวมีฝ้าผุขึ้นมาทุกข์กับมันรู้เปล่าถ้าทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ปล่อย แต่ถ้าเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเฉยๆ เ, เรื่องของมันก็ดูแลมันไปไม่ได้ห้ามไม่ให้ดูแลดูแลได้มันเจ็บก็รักษามันไปมียาก็กินไปกระเทานั้นถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไป น, นี่เป็นการทำการบ้านจะรู้ว่าทำได้ไม่ได้ก็ต้องไปหาข้อสอบ ถ้าอยากจะรู้ว่าเวลามันเจ็บแล้วไม่เดือดร้อนนี่ก็ทํำยังไงก็นั่งให้มันเจ็บดูสินั่งให้มันเจ็บแล้วก็ไม่ต้องไปขยับะแล้วก็คอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นคนใช้ร่างกายนี้เราเป็นนายกายเป็นบ่าลบ่าวคนใช้จะเป็นอะไรก็เรื่องของมันเราอยู่กับมันเป็นแฝดสยามแล้วก็รับรู้ไปเฉยๆเราไม่ได้เป็นผู้เจ็บผู้เจ็บคือร่างกายเราเป็นเพียงแต่ผู้รู้ว่ามันเจ็บ เราแค่รู้เฉยๆอย่าเป็นรู้อย่าไปอยากให้มันหายเจ็บที่มันที่มันทนความเจ็บไม่ได้เพราะมันอยากจะให้หายเจ็บพอร่างกายเจ็บก็อยากให้มันหายพออยากแล้วมันก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาไอ้ตัวนี้ต่างหากที่เราทนไม่ไหวไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายถ้าเราหยุดความอยากให้มันหายเจ็บได้ความทรมานใจจะไม่มีแล้วใจก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย ใจเป็นอุเบกขาถ้าไม่มีความอยากใจก็จะเป็นอุเบกขาวางเฉยสักแต่ว่ารู้ทําเวลาที่มันไม่ยอมวางเฉยเราต้องทําไงเราก็ต้องใช้สติหยุดมันใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลานั่งเราเจ็บเราอยากจะลุกก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปปล่อยให้มันอยากจะลุกยิ่งอยากยิ่งทรมานแต่ถ้ามันอยู่กับพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวความอยากมันทํางานไม่ได้ พอเราไม่คิดถึงความเจ็บเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธความอยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ไม่ทำงานพอไม่ทำงานความทรมานก็หายไปใจก็นิ่งเบาสบายอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ต่อไปก็รู้ว่าไม่กลัวความเจ็บแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดตรงไหนไม่ต้องกินยาแก้ปวดเพราะใจไม่ปวดที่ต้องกินยาแก้ปวดกันเพราะใจมันปวดมันทรมานทนไม่ไหว เลยต้องหาวิธีหยุดยดอาการเจ็บของร่างกายเพื่อจะได้ใจจะได้หายปวดแต่เป็นการหาแก้วิธีผิดเพราะไปกินยาเดี๋ยวมันก็ไปติดยาอีกนะกินยาแก้ปวดมันก็ต้องเวลาปวดทีก็ต้องหายาแก้ปวดมากินกินไปกินมาบางทีไม่ปวดก็ต้องกินยาแก้ปวดเพราะติดยาแก้ปวดนี่กลายเป็นปัญหาขึ้นมาวิธีแก้ปัญหาก็คือ ใจเราทรมานมันไม่ได้เกิดจากการเจ็บของร่างกายมันเกิดจากความอยากของเราไม่อยากให้ความเจ็บหายไปเราก็ต้องหยุดตัวนี้หยุดความอยากวิธีจะหยุดก็อย่าให้มันได้คิดถึงความเจ็บเพราะคิดแล้วมันก็จะอยากถ้าไม่คิดถึงมันมันก็จะลืมแล้วมันก็จะเฉยเั้นเวลามันคิดถึงเวลามันเจ็บแล้วมันทรมานใจเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงอะไรอยู่ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวไม่นานมันจะลืมจะลืมความเจ็บลืมความอยากไปแล้วความทรมานก็จะหายไปแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้อันนี้ต่อไปก็จะรู้ว่าไม่กลัวความเจ็บละอยู่กับมันได้รู้ว่าห้ามมันไม่ได้มันจะมาต้องมามันจะไปต้องไปนี่คือมันเป็นอนิจจาไม่เที่ยงไปไปมามา อนัตตาห้ามมันไม่ได้มันจะมาห้ามมันไม่ได้มันจะอยู่จะไล่มันไปก็ไม่ได้มันจะอยู่ก็ต้องอยู่กับมันมันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้ให้พอเรารู้อย่างนี้เราก็ปล่อยมันมเฉยกับมันถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้พุทธโธ ท, ทำให้มันเฉยต่อไปเราก็จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้เพราะใจเราไม่ปวดไม่ทรมาน เพราะเราไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปต่อไปเราก็จะรู้ว่าเราไม่กลัวความเจ็บเลยว่าเจ็บก็เจ็บไปเราอยู่กับมันได้ทําใจเฉยๆได้แค่นั้นเองใจก็จะใจก็จะหลุดพ้นจากการไปติดอยู่กับเวทนาปล่อยให้เวทนาเป็นอนิจจังไปปล่อยให้มันเป็นอนัตตาไปาใจจะไม่ทุกข์ถ้าปล่อยแล้ว ปล่อยเวทนาได้ก็ต้องมาปล่อยร่างกายคือต้องยอมให้มันตายอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องไปหาที่มันน่ากลัวที่ทีดว่าเราจะตายเ น, นี่ยพระที่นงไปอยู่ในป่าไปหาเสือหาอะไรนี่ก็เพื่อจะได้เวลาได้ยินเสียงเสือคำรามจะได้ดูเสว่าใจสั่นหรือเปล่าถ้าใจสั่นก็แสดงว่ากลัวใช่ไหมยังยึดยังไม่ยอมตายยังกลัวตายอยู่ ก็ใช้พุทโธนี่หยุดมันใช้ปัญญาสอนว่าร่างกายต่อไปมันอยู่ที่ไหนมันก็ต้องตายถึงเวลาไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนถึงเวลามันก็ต้องตายถ้าอาจจะต้องตายตอนนี้ก็ยอมให้มันตายเสียอพอเสือมันจะมากัดก็ยอมให้มันกัดเสียเรานั่งเฉยๆรอรับเสือมันเรานั่งพุทโธพุทโธของเราไปถ้าเราพุทโธพุทโธไม่ไม่สนใจเราไปคิดถึงเสือได้ ไม่ไปมีให้ความอยากไม่ตายเกิดขึ้นมาได้เราก็จะไม่กลัวตายพอใจนิ่ ง, งๆเฉยๆยอมตายมันก็จบต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเราไม่กลัวตายแล้วเรายอมตายได้อันนี้แหละเรียกว่าการทำข้อสอบของพระโสดามันตอนต้อ ง, ต, องต้องทำการบ้านก่อนต้องศึกษาร่างกายขันห้านี้คือร่างกายและจิตใจร่างกายและเวทนา ร่างกายก็รูปประคันเวทนาก็นา ม, มาขันรวมกันก็เป็นขันห้าอันนี้เราต้องปล่อยขันห้าให้เห็นว่าขันห้าเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเราเป็นใจเป็นผู้ใช้มือถือเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมือถือมือถือนี้มันจะต้องเสียมันต้องพังพังก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็มีรุ่นใหม่ออกมาให้เราซื้อใหม่อย่าไปเสียดายเสียดายแล้วมันทุกข์ นี่คือการเรียกว่าการทำข้อสอบการทาการบ้านการเรียนรู้ก่อนที่เราจะไปทำข้อสอบพอเราสอบได้เราก็ได้รับปริญญาขั้นโสดาบันไปขั้นโสดาบันยังมีบุคคลสองคู่สองสองประเภทโสดมรรคผลหนึ่งคู่สี่ขั้นก็8ดคู่แปดบุคคลที่เราสวดเนี่ย สุปฏิปันโนอะไรเนี่ยมีอยู่8ดมีอยู่4ี่คู่แปดบุคคลคู่แรกก็คู่โสดาบันมรรคกับผลคู่ที่สองก็ส ก, กิรดาคามีมรรคกับผลคู่ที่สามก็อนาคามีมรรคอนาคามีผลและคู่ที่สี่ก็อรหัตตมรรคอรหัตตผลก็แต่ละขั้นนี้มันมีข้อสอบให้เราทำํำพระโสดาบันก็ต้องผ่านการความเจ็บความตาย พระสกีดาคามีก็ต้องลดความอยากในการอารมณ์อยากจะร่วมหลับนอนกันวิธีที่จะลดอารมณ์ก็ให้นึกถึงอสุภะบ่อยๆเห็นร่างนึกถึงคนที่เราอยากจะไปนอนด้วยเวลาเขาเป็นซากศพเรายังอยากจะนอนกับเขาอยู่หรือเปล่าหรือถ้ามีตาเอ็กซเรย์ก็มองเข้าไปข้างในว่าข้างใต้ผิวหนังมันมีอะไรวะร่างกายนี้เห็นแต่ข้างนอกข้างในไม่ยอมมองกัน ลองลองนึกถึงส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังดูเออ๋อภายใต้ผิวหน้าก็มีแต่กะโหลกศีรษะเนี่ยนะถ้าภายในร่างกายก็มีโครงกระดูกเห็นไหมมีปอดมีไตมีปับมีหัวใจมีลำไส้ออมีอุจจาระมีปัสสาวะมีของดีๆทั้งนั้นเน่ยอยู่ในร่างกายนี้ต้าเห็นแล้วมันจะได้ลดกามอารมณ์ลง แต่พร ะ, พระสกีดาคามีนี้ข้อสอบของพัะสกีดาคามีก็ทําให้มันน้อยลงให้ลดประมาณครึ่งหนึ่งมันเทาลงเบาบางลงก็ถือว่าเป็นผ่านขั้นที่สอง<ม>ถ้าอยากจะผ่านขั้นที่สามนี่ต้องทําให้มันหมดเลยหมดทําไงก็ต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาพอเกิดกามารมณ์ขึ้นมาปั๊บก็นึกถึงอสุภะทันทีพอเห็นเขาสวยเขาหล่อก็เห็นเขาเป็นซากศพทันที เห็นอาการสามสิบสองทันทีเห็นกระดูกเห็นกะโหลกศีรษะเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ทันทีพอเห็นปั๊บการมารมมันก็จะหยุดไปทันทีต่อไปก็จะไม่มีการมารมอยู่เห็นใครทีไรก็จะเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเห็นอนาคตว่าต่อไปก็ต้องเป็นซากศพนี่คือข้อสอบของพระอนาคามีจะต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาทุกครั้งที่เกิดการมารมต้องต้องหยุดมันได้เออ นี่คือข้อสอบของพระอนาคามีข้อสอบของพระอรหันต์ก็คือยังมีตัวตนอยู่ในใจตัวยังคิดว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่อยู่สูงกว่าเขาว้างต่ำกว่าเขามั่งเท่ากับเขามั่งตัวเองยังติดความสุขที่มีอยู่ในจิตอยู่ความสุขภายนอกไม่ติดความสุขทางร่างกายไม่ติดแลไม่เสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เสพความสุขจากร่างกายของใครแต่ไปเสพความสุขที่เกิดจากความสงบ ใ, ใจของพระ อ, อนาคามีนี้จะมีความสงบเป็นฌานแต่เป็นฌานที่ไม่เที่ยงมีมีเจริญมีเสื่อมพอฌานเสื่อมก็ทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะให้มันเที่ยงถ้าอยากให้มันเที่ยงก็ทุกข์ก็ต้องใช้วิธีเดียวกันแทนที่จะพิจารณาร่างกายก็พิจารณาจิตแทนจิตที่มันไม่เที่ยง ว่ามันยังเสื่อมได้มีเจริญได้มีเสื่อมได้จิตที่ยังถืออัตตาตัวตนอยู่ถือว่ายังเป็นเราเป็นอะไรอยู่อันนี้ก็พิจารณาแก้ไปถ้าพิจารณาเห็นว่าถ้าความสงบไม่เที่ยงก็อย่าไปยึดมันปล่อยมันเหมือนกับร่างกายมันจะเสื่อมก็ให้มันเสื่อมไปถ้าเสื่อมถ้าปล่อยให้มันเสื่อมไม่ไปยึดมันก็ไม่ทุกข์กับมัน แล้วาตาตัวตนก็ไม่มีตัวตนก็เกิดจากความคิดนั่นเองคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เขาสมมุติว่าเราชื่อนั้นชื่อนี้เป็นหญิงเป็นชายก็ว่าไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูงเป็นต่ำํำเขาสมมุติเช่นนั้นตัวเราจริงๆคืออะไรตัวเราจริงๆก็คือตัวรู้เท่านั้นเองก็ให้รู้เฉยๆไปพอพอเปลี่ยนจากตัวตนมาเป็นตัวรู้ได้พอปล่อยความ ปล่อยปล่อยความสุขภายในจิตที่ไม่เที่ยงได้มันก็มันก็ทําข้อสอบข้อสุดท้ายได้มันก็จบต่อไปก็ไม่มีข้อสอบให้ทำอีกต่อไปค่ะเรื่องอย่างพระอาหารอะไรนะจ๊ะอาจารย์อาจาพูดก้าวใหม่มาออเ๋ยอย่างพระอาหารอะ้วนะเจ้าค่ะบางบางรูปบอกว่า ก็เขาก็บอกกันนะว่าเป็นพระอรหันต์แต่ทีเนี้ยบางทีเราไปเจอว่าเอ๊ะอย่างท่านยังยังติดอยู่กันในบางสิ่งบางอย่างยังอยากอย่างตอนงานพระบระสพอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเข้าวังไปอย่างเงี้ยพระอรหันต์ยังมีความอยากอย่างนั้นไหมเจ้าคะก็ระถาามันดูสิมันเป็นถามเราทำไมเพราะว่ายงว่าเอ๊ะพอดูเราก็เลยพอ เออใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปสนใจอารหารข้างนอกอย่าไปสนใจสนใจอารหารข้างในดีกว่าเราอยากก็เปล่าเอาตรงนี้ดีกว่าเออถ้าเราไม่อยากเราก็เป็นอารหารแล้วเขาเป็นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรา่ะเขาเป็นไม่เป็นมันเกี่ยวอะไรกับเราเขาเป็นแล้วเขาทําให้เราเป็นด้วยหรือเปล่าแต่แต่เขาเป็นก็เหมือนกับก็อย่าไปสนใจเขาสิเขาเป็นไม่เป็นเราเมื่อเราไม่รู้เราก็อย่าไปว่าเขาเป็นสิ พระพุทเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อเขาพูดอย่างงั้นเป็นพูดอย่างงี้เพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้ไม่ต้องไปเชื่อถ้าเรายังพิสูจน์ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นก็เฉยๆไว้ก่อนแต่อย่าไปปฏิเสธเขาอาจจะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ให้คิดอย่างนี้แต่ถ้าเรายังไม่รู้เราก็เฉยๆถ้าอยากจะรู้ก็รอเขาตอนที่เขาตายดูกดูเว่าเป็นธาตหรือเปล่าออันนั้นะรู้ได้ตอนนั้น อย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นมากเกินไป <Okay. S 1> ให้กังวลกับคำสอนของเขาดีกว่าว่าคำสอนเขาเราเอามาปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์หรือเปล่าก็พอเขาถ้าเขาสอนให้เราเลิกเล่าได้เราเลิกเล่าได้ก็ถือว่าเออใช้ได้คำสอนเขาเขาสอนให้เราเลิกแฟนได้อยู่คนเดียวได้ก็ใช้ได้ก็เอาละ เ, เ, เอาตรงนั้นดีกว่าอย่าไปสนใจว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไร เขาเป็นก็เรื่องของเขาเขาไม่เป็นก็เรื่องของเขาการเป็นของเขาไม่สามารถมาทําให้เราเป็นไปกับเขาได้นะถ้าอยากจะรู้ว่าเขาเป็นไม่เป็นก็เนี่ยดูที่เขาสอนดูที่คําสอนของเขาเขาสอนแล้วเขาสอนเราให้เป็นได้ก็แสดงว่าเขาต้องเป็นเหมือนคนที่ว่ายน้ำเป็นเนี่ยต้องสอนคนที่ว่ายน้ําให้คนอื่นที่ว่ายน้ําไม่เป็นให้เขาว่ายได้ใช่ไหมคนที่ว่ายไม่เป็นไปสอนให้คนที่ว่ายน้ําไม่เป็นว่ายได้หรือเปล่า ไม่ได้ก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันแต่เขาสอนนี่เราตัดกิเลสได้ก็ใช้ได้อส่วนตัวเขาจะไปทําอะไรมันเรื่องของเขาเพราะพระอรหันต์นี่อยากไปดูที่กิริยาเพราะกิริยานี้มันมั น, ม, นมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกอย่างสมัยที่แรกๆเราจะไปวัดป่ามันตาเนี่ยมีคนเขาวิภากษ์วิจารณ์หลวงตามหมาบัวมากว่า เป็นผ้าหลานแต่ผ้าหัานชอบเอาหนังติ๊กยิงไล่หมา <c oughs> เป็นพ้าหลานแล้วไม่มีความเมตตาต่อหมาหรือเอาหนังกต็ติกไปยิงไล่หมาอ <c oughs> แต่พอมาทราบความจริงก็ท่านต้องไล่หมาเพราะสมัยนั้นวัดมันไม่มีรัว้วแล้วหมามันชอบมาเข้ามาในโรงครัวแล้วมันชอบมาคุยเขียทั้งขยะโสโปรกเลอะเทอะไปหมดนั่นก็เลยต้องคอยเอาหนังติ๊กมาคอยไล่ไล่มันะ <c oughs> คนไม่รู้ก็หาว่าผ้าหานนี่ทํางี้ไม่ได้เราไปกําหนดอย่างนั้นเองว่าผ้าหลานทํางี้ไม่ได้ใช่ไหมนี่เราก็เหมือนกันไปกําหนดว่าผ้าหลานอยากไปกราบศพไม่ได้นี่มันมันเรียกอะไรของเราไปกําหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ท่านอาจจะทําด้วยไม่มีความอยากก็ได้ออาเข้าใจหรือเปล่าอย่างนี้อย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปวัดผ้าหลานด้วยกิริยาการของท่านบางทีหลวงตามหมาบัวท่านด่ากราดอย่างเงี้ยวหาว่าผ้าหลานไปด่า มีความโกรธดีกว่าใช่ไหมถ้าไม่ได้ด่าด้วยความโกรธนะท่านบอกท่านเอากิริยาของความโกรธมาข่มพวกพวกดื้อทั้งหลายเข้าใจไหมถ้าพูดง่ายๆพูดดีๆลูกหัว ล, ลูกอย่าทำอย่างนี้มันไม่เชื่อหรอกต้องดา่ามันนี่เข้าใจไหม <Okay. S 1> อ่างั้นอย่าไปดูพาาาระอรหันต์กิริยาของท่านนี่เราไปไปวัดถ้าวท่านเป็นอาหารหันต์หรือไม่ไม่ได้หรอก <Okay. S 1> อ่าเพราะมันอยู่ที่ใจของท่าน ใจวะละท่านนี้เราถ้าไม่มียานหลังอย่างทราบไม่มีวันรู้หรอกว่าใจของท่านนี้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะอย่างั้นอย่าไปเสียเวลาวัดผ้าอาหารเลยเราคนสายตาสั้นไปวัดคนที่เขาไม่สายเอเขาไปวัดคนอื่นว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะมนมองไม่เห็นเราสายตายังไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นผ้าอาหารนี่เราดูเราจะเข้าใจ เข้าใจว่าทไมพระอาหารหันต์ท่านถึงทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแ ต, แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยอารมณ์อย่างที่เรามีกันท่านทำด้วยเหตุด้วยผลเข้าใจยังเอแล้วนะวันนี้ก็ได้หลายเรื่องก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิบะเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพพิติโยวิวัชจันตุสัพพะโรโควินัสสตุ มาเตภวัตวันตรายูสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนศีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารธรามมาวทานติอายุวโนสุขังพาลงางบางคนก็ไปวัดพาะนั้นว่าสูตรบุหรีหรือเปล่า เคี้ยวมากก็เปล่าถ้าเคี้ยวมากสู่บุหรี่ก็เป็นนักอาหารไม่ได้ต่อไปก็ดื่มกาแฟไม่ได้เนี่ยดื่มกาแฟก็ติดเองนะไหมมันไม่ใช่เรื่องมันคนละเรื่องกันเราเอามาตรฐานที่เราไปวัดกับคนอื่นไม่ได้หรอกเขาอาจจะดื่มโดยไม่ติดเหมือนเราก็ได้เขาสูบแบบไม่ติดก็ได้เขาเคี้ยวแบบไม่ติดก็ได้แต่เรามันติดมันก็เลยหาว่าเขาต้องติดเหมือนเราอย่างี้เข้าใจไหม อินทรีสงวรนี่เก็บออมไม่ได้ครับอ่าก็อินทรีสังวรเขให้เก็บตัวนี่ออกมาทำไมนะสามวงตาหูจมูกแค่ของไปเก็บแล้วจะออกมาเก่าใช่ไหมคะได้ถ้าขึ้นมาฟังธรรมได้อยู่แต่ไม่ให้ไปลงไปคุกคีกับคนอื่นไปทํากิจกรรมร่วมกันให้ทํากิจกรรมตามลําพังหมาความหมายมาฟังธรรมตอนบ่ายได้ถ้าไม่มาก็ได้เปิดดูยูทูบได้ก็ดูที่ทําอได้ดูที่นั่นดีกอกาจะได้ไม่ต้องมา มาสัมผัสรับรู้โลกภายนอกต้องการให้เข้าข้างในเขาว่าอินเซียนสังออยยมรู้ว่าออกมาไม่ได้เลยเลยย อ, อมรีบเร่งมากแต่ไม่มาลงสาลาใส่บาตรหรืออะไรทำนองนี้แม่ให้เก็บตัวไม่คุยกับใครไม่ให้คุกคีกับใครพอออกมาแล้วเดี๋ยวจิตมันปรุงแต่งเยอะเจอคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็คุยกันแล้วกลับไปกุฏิก็ฟ้งนั่งก็ไม่สงบจิตจิตของแมวที่เขาเขาก็เหมือนคน จิตดวนที่เข้าไปอยู่บนลยล่างของจิตนีรับจิตก็จิตของแมวก็คือคนที่เคยเป็นจิตที่เคยเป็นคนแล้วไปทําบาป<ช>มันก็เลยไปเป็นแม ว, แวนั่นเองมันเปลี่ยนร่างกายเท่นั้นเองยอมใส่บาปเข้าไปอย่างนี้เขาให้เขาโดยเฉพาะเขาก็โมได้บางส่วนก็โดกนกัดตายโดนแนวมวนามันเป็นแมวเลี้ยงที่แบบแมวผมาขออาศัยอยู่ก็แล้วแต่ว่าเขาไปเป็นอะไรแนละ้วถ้าเป็นเปรตเขาก็รอรับอยู่ ถ้าเขาไปเป็นอย่างอื่นเขาก็ไม่รับนะอ่าวันนี้ทาง Facebook YouTube เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook สูงสุด420ค่ะ YouTube 126วิถิยุ18ค่ะทั้งหมด564ค่ ะ, ะ564สาว์อาทิตย์ก็600กว่าถ้ารวมยอดวันเสาร์อาทิตย์จะมากกว่าวันธรรมดา ชวนเาอีกคนนั่นน่ะเป็นหกอยหกร้อยเลยเมื่อกี้ห้าร้อยกว่าแล้วเพิ่มเมื่อกี้เปลี่ยนข้อมูลข้อมูลไม่ไม่ไมล่าสุดไม่อัปเดตเลยถ้ารวมบนเขาอีกก็เป็นหกร้อยสี่คนค่ะห0ร้อยสี่ถ้าไปรวมทางเคบเบิลนี่ก็คงอีกเยอะนะตอนนี้มีเคเบิลแถวแมจอมเทียนแถววังแถวนาเกลือถ้าใคร ใครสมัครเป็นสมาชิกเคเบิลของบางละมุงเคเบิลช่องหนึ่งเาก็ถ่ายท่อส่วนนั่นกัน <c oughs> อยู่จอมเทียนหรืออยู่นาเกลือชื่อของบริษัทก็ชื่ออะไรนะชื่อบางลำงเคเบิลทีวีบางลำบงเคเบิลางจอมเทียนจะเป็นจอมเทียนเคเบิลทีวีตเขาสายเดียวกันเดียวกันเปลี่ยนชื่อ <c oughs> เอาไอ้นนนี้มา ที่บ้านอำเภอวินไว้สุนุก็ติดเทเบิลนะลองถามยังอ๋อยังไม่ที่บ้านอำเภอของของใครของสวพลหไม่ใช่บ้านอำจะเป็นของของเาเองเดี๋ยวเขาของมาติดเองเดี๋ยวเขาเชื่อมกันได้มั้งส่วงนี้เขาเชื่อมกันได้มั้งเขาเขาเชื่อมกันได้ครับแต่ว่าปิดแต่ตอนนี้ยังไม่มีไม่มีใครมาติดเ่าเดี๋ยวหนอกลองไปบอกเขาใหญ่กขเดนเต้องเสียนอยู่แล้วลองถามก่อนทำไมไม่มาไม่มาถ่ายทอดที่นี่บ้าง จะได้ไม่ต้องมาดูเคเบิลได้ไม่ฟั้สาราราถ้าเกิดเคเบิลนี่ก็คือสดใช่ัหมคะก็สดเนีสดเลยสดเลยอ้อดูดีได้ทวันเลยได้อ่าเดี๋ยวอย่างนี้ต้องคุยกับคนเก็บเงินละคุยละคุยละเอยหนึ่งต้องต้องพูดแบบทำนองว่าไม่เธอไม่ทันสมัย ทำไมถึงไหนแล้วอ่ามำไถึงไหนแลน้วขณะเขาอยู่กล้ก็ยังไม่ถ่ายทอดเราอยู่ใกล้เจ้าของพื้นที่ไม่มามรเรื่องเลยเดี๋ยวต้องต้องเน็นิดน อ, <Ellis> อกิเลสเนนะี่ยไม่เป็นธรรมะจะเป็นกิเลสอะไร เ, ะะเน็ตเขาไงฮะอ๋อ <Ellis> <Ellis> นิสัยติดเน็ตนิสัยเก่าอามริกาอยากจะถามอะไรไหม อ่าหาไหมโครโฟนไปมีใครอยากก็เปล่าการนมัสรกรารเจ้คเาค่ะว่าคือสอนลูกอะค่ะตอนนี้เขาก็อายุสิบเก้าแล้วค่ะจะสอนยังไงให้เขารู้ทันผู้คนอยากจะให้เขาเรียน ส, งสูงๆเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเฟซบุ๊กมันมีสารพัดที่ สิ่งที่ยั่วยุเข้ามาในกิเลสของเขานะคะเขายังเด็กน้อยนะคะจะสอนเขาได้ก็ต้องมีเวลาคุยกับเขาเนี่ยวันวันึงมีเวลาคุยกันบ้างหรเปล่ามันไม่มีเวลาคุยมันจะสอนได้ยังไงแม่ก็ทํางานลูกก็ไปเรียนหนังสือเวลาจะคุยกันไม่มีมีแต่คุยกันปั๊บสองปั๊บไปแล้วมันต้องมีกิจกรรมเช่นวันหนึ่งกินข้าวพร้อมกัน เวลา ก, ก่อนจะกินก็กินเสร็จก็มีการคุยกันถามสนทนาทำสนทนากันวันนี้ไปทำอะไรมาอ ะ, อะมันต้องมีกิจกรรมทำร่วมกันคุยกันมันถึงจะสอนได้แต่ถ้ามไม่มีกิจกรรมจะไปสอนอะไรไม่ก็ถูกสังคมสอนไปถูกสิ่งแวดล้อมสอนไปเขาจะติดมือถือมากค่ะเพราะนั้นแหละทำไงมันสิบเก้าเข้าไปแล้วมไม่ใช่ ของนี้มันอยู่ที่เราจัดการตารางเวลาให้กับครอบครัว <Okay. S 1> ครอบครัวไม่มีเวลาที่จะมาพบหน้าพบปากกันมาคุยกันต่างคนต่างทำกิจกรรมของตนมันก็เลยไม่มีเวลาปล่อยให้โรงเรียนเป็นผู้สอนไปโรงเรียนสมัยนี้ก็สอนแต่ทางโลกทางธรรมก็ไม่ค่อยสอน <Okay. S 1> ก็เลย <Okay. S 1> มันก็เลยเราเนี่ย ต้องหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันเช่นวันหยุดนี่มามาวัดกันอย่างนี้อย่างน้อยเราไม่ได้สอนเขาให้เขามาฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้มันก็จะซึมซาบเข้าไปเ <c oughs> ทียรเล็กเทียรน้อยอ <c oughs> ของพวกนี้มันไม่ได้สอนแบบพูด ข, ข้าครั้งเดียวมันจบต้องพูดอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันมันเป็นของที่ซึมเข้าไปในใจยากต้องต้องต้องให้ฟังอยู่เรื่อยฟังซ้ำซ้ำซ้อยู่เรื่อย แล้วเดี๋ยวมันก็จะฝังอยู่ในใจเองเจ้ค่ะงั้นก็มีเวลาก็หาเวลาคุยกับเขาบ้าง <Okay. S 1> แต่อย่าเอาตั้งหน้าตั้งตาจะสอนจะพูดเพราะเด็กสมัยนี้มันไม่อยากจะฟังคําสอนต้องหาอุบายคุยกันแบบสนทนากันอย่าไปแบบว่าไปสั่งไปสอนเขาถามสารทุกข์สุขดิบเขาอะไรไปก่อนอแล้วก็อ ชอเล่นเตะแชร์เตะค่ะอาจารย์ไม่ดูสิแชร์พก็นั่งอยู่ด้วยดูอยู่ค่ะแตอย่างงั้นถ้าเข้ามาอย่างนี้ก็โอเคค่ะก็เราต้องพาเขาแหละเอาเหมือนว่าเอามาปล่อยคุณแม่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยคุณแม่เห็นลูกร้องไห้คุณแม่ก็เลยต้องถือศีลด้วยอ่ามันต้องเราต้องเป็นผู้นําทําด้วยพาก็ทํา บอกให้เขาทำแล้วตัวเราไม่ทำก็เหมือนแม่ปูสอนลูกปูอะฮะแม่ปูสอนลูกเดินตรงๆนะแต่แม่ก็เฉไปเฉมาพอลูกเห็นแม่ลูกเห็นแม่เดินเฉยไปเฉยมาก็ลืมคําสอนของแม่ดูตัวอย่างของแม่แทนวิธีที่เราสอนเขาส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของเราเนี่ยเราทาอะไรเขาก็มักจะทําตามเราเวลาเราพูดคำหยาเขาก็จะเรียนจากเรา เวลาเรามาโหด่าใครมันก็จะมันเขาจะฝังอยู่ในใจเขาพ <Okay. S 1> อ, อะไร <Okay. S 1> ที่มันเกิดขึ้นนี้มันสิบปากว่าไม่สู้ <Okay. S 1> หนึ่งตาเห็น <Okay. S 1> ใช่ไหมงั้น <Okay. S 1> เขาเรียนรู้จากการที่เขาเห็นการกระทําของเรา <Okay. S 1> การพูดของเรานี่พูดตอนเดี๋ยวมันก็ลืม <Okay. S 1> พูดไปปั๊บเข้าหูซ้ายเดี๋ยวก็ออกหูขวาไป <Okay. S 1> แต่ถ้าเห็นกับตานี้มันไม่มันไม่ลืมง่ายๆะงั้น <Okay. S 1> เราต้องสอนด้วยการกระทําของเรา เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกถ้าเรากินเหล้าเราอยากจะไปสอนให้ลูกไม่กินเหล้าอย่าไปสอนเลยงั้นเราต้องทําตัวอย่างของเราให้ดีก่อนแล้วก็ให้เขาเขาเรียนรู้จากการกระทําของเรารรว่าจะถามพระ้าจารย์คือหนูขายของโชว์หวยค่ะเป็นของเบ็ดเตล็ด่ะคือมีเหล้ามีเบียร์มีบุหรี่มีอย่างเนี้ย เราจะบาปไหมเจ้าคะแต่ใจเราไม่ได้ว่าขายให้คนเมาแต่ทีนี้มันเป็นสมาอาชีพที่อยู่รวมกันมีนมเปี้ยวลูกค้าส่วนมากก็จะซื้อเหล้าเยอะเจ้าค่ะมันก็เป็นสินค้าที่เป็นโทษมากกว่าเป็นคุณมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นโทษกับเราหรอกแต่คนที่ซื้อไปเนี่ยมันเป็นโทษกับเขาซื้อก็ไปดื่มเราเมาเหล้าเมาแล้วบางทีเขาก็ไปเอาเราว่าใส่ครอบครัวเขาเอ ไปตีลูกตีเมียอีกแต่ถ้าเขาไม่มีเหล้ากินเขาก็จะมีสติประคับประคองเขาก็จะไม่เอาเราวาง่ายๆเห็นเราไม่คนขายไม่ไม่เป็นบาปเราเพียงแต่ว่าไปส่งเสริมให้คนซื้อคนกินเนี่ยไปทําบาปง่ายๆถ้าไม่อยากจะส่งเสริมให้คนทําบาปก็อย่าไปขายของเหล่านี้ความหมายอยู่ตรงนั้นเทอนี้ถ้าเรายังโลภอยู่ยังอยากได้เงินอยู่ ถ้าไม่มีเล้าขายคนไม่มาซื้อของในในร้านมันก็รายได้ก็น้อยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่โลภมากเนาะเราหาเงินเพื่อพออยู่พอกินเราก็ไม่ขายมันก็ได้ลองดูไม่ขายดูสักพักดีมันจะรายได้มันจะลดไปเท่าไหร่แล้วยังพออยู่พอกินหรือเปล่าอย่างน้อยเราจะได้มีความภูมิใจว่าเออเราได้ทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมให้กับเพื่อนร่วมโลก เราไม่เอายาพิษยาของอันตรายไปให้เขาเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือที่จะไปทำร้ายผู้อื่นไม่คิดถึงเวลาเขาเมาเหล้าแล้วเขาขับรถมามาชนลูกเราตายว่าไงไม่แน่นะเนี่ยมันอาจจะกลับมาย้อนมาหาเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะคนเมาแล้วมันอารวาสมันทำได้ทุกอย่างถ้ามันไม่เมามันก็จะไม่ทำทำยากกว่าเวลาเมา ให้คิดอย่างนี้ถ้าถ้าทุกคนไม่ดื่มเหล้ลาปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถ น, นนนี่มันจะมีน้อยมาก <Okay. S 1> ปัญหาที่จะก็คนตายเนี่ยมันจากคนขับเมาเมาแล้วก็ขับ <Okay. S 1> ขับแล้วก็ตายกันใช่ไมเราไม่เห็นโทษของสุรา <Okay. S 1> เราเห็นจากคุณของสุราคือเงินที่เราได้จากการขายสุรากัน <Okay. S 1> อันนี้แล้ก็อยู่ที่เรา ว่าเราจะจะจะเลือกทางไหนจะทำอะไรจะขายอะไรถ้าอยากได้เงินมันก็มันก็มันก็เลือกยากเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วจะถามไหมคุณลูก <c oughs> <c oughs> คุณลูกไม่มีอะไรจะถามไม่ <c oughs> ค่ะหลวงพ่อพูดถึงสอนลกูกเมื่อสักเดือนที่แล้วหนูมีลูกชายอยู่คนหนึ่งนะเาค่ะพี่ของน้องพิมพ์อายุ24เขาก็โทรมาหาแม่ว่าแม่หนูทุกข์โดยภาวะเศรษฐกิจนู่นนี่ น, นี่แล้วหนูก็ถามว่าไอ้ที่ประมาณว่าพูดนี่คือจะขอเงินใช่ไหม <c oughs> หนูก็บอกว่าโอเคแม่จะให้หนูแต่มีข้อแม้แม่จะให้หนูวันละห้าสิบบาทหนูต้องสวดมนต์อิติปิโส <c oughs> ตามที่อายุเท่าหนูหนูอายุยี่บสี่หนูก็สวดยี่บสี่ แล้วหนูสวดกี่วันหนูก็โทรมาหาแม่จะให้เงินหนูมีคนที่เป็นเพื่อนกันก็บอกเอ๊ทำอย่างนี้ลูกจะได้อะไรลูกจะได้บุญเหรอเอ๊บอกว่าอ๋อเอ๊ได้บุญแล้วกันเพราะว่าลูกอาจจะได้สติเพราะหนูไปบอกอธิบายคนที่ไม่เคยทําบุญเข้าวัดฟังทำหนูคิดว่าคงยากหนูก็บอกว่าแม่จะให้เงินหนูสามเดือนวันละห้าสิบบาทโดยการสวดมนต์แบบนี้ทุกๆุกวันให้ทํา แต่อย่างน้อยต้องมีสัจจะกับแม่เขาทําได้ประมาณได้เดือนฝ่าค่ะหลวงพ่อแล้วสิ่งที่เขาได้โทรมาบอกหนูว่าเออเขาก็รู้สึกดีขึ้นโดยทั้งการงานสภาพจิตใจเจ้าค่ะอันนี้เป็นผลจัด ก, การที่เขาก็ส่วมดมนต์ใช่ไหมเจ้าค่ะก็มีส่วนส่วนมนต์ก็มีสติสตังค์มากขึ้นแต่ที่ชาวเพื่อนฝูง <f uck> บอกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บุญหรอกพ่อ เ, เป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงบุญมันมีหลายอย่าง บุญที่เขารู้กับบุญที่เขาไม่รู้คือหนูให้เงินลูกในการว่าส่วนมนต์นะลูกนะอแต่แม่ไม่ได้จ้างนะแต่เป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นกําลังใจหนูก็ใช้คําพูดแบบนี้ว่าเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าบอกว่าจ้างมันก็ดูเขาว่าเหมือนเขาจะไม่ได้อะไรหนูก็บอกว่าโดยกุศโลบายเขาว่าเป็นกําลังใจลูกไม่ให้กําลังใจวันละห้าสิบบาทก็ดีจะให้อะไรเขาดีกว่าให้เปล่า ให้เขาเห็นคุณค่าว่าก่อนจะได้เงินนี้ต้องต้องต้องต้องทำอะไรพอเงินทุกเวลาหาเงินก็ต้องไปทำงานกันไม่ใช่เลยอ่าการนี้ก็เหมือนจะเหมือนเขามาเป็นขอของานเราทำเราก็ให้งานเขาทำให้เขาไปสวดมนต์ให้เขาได้จะได้มีรายได้อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการจ้างเขามาขอสมัครงานไงเขาไม่มีเงินเขาอยากจะได้เงินเขาถามว่ามีงานอะไรให้เขาทำหรือเปล่า เขามีให้ไปสวนโวนให้หน่อยโอ้ ย, อยน่ารักจถาถุเจ้าค่ะหนึ่งหนูได้มีกําลังใจต่อเดี๋ยวลูกจะได้รู้คุณค่าของเงินทองว่ามันไม่ได้มาง่ายๆอย่าให้อยอยย่่าาให้เงินลูกง่ายๆแล้วมันจะไม่เห็นคุณค่านมัสการค่ะพระอาจารย์อ่าไม่ถามก็ไม่ถามเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มันต้องนาน ช่วงนี้มีปัญหาก็คือว่าพอเอาคำสอนของพระอาจารย์ไปไปปฏิบัติแล้วก็ไปดูแลครอบครัวค่ะช่วงนี้จิตตกอยากได้อยากได้คำสอนนะคะจิตตกก็ดึงมันขึ้นมาเลยเทรมาบางอย่างที่ที่จะดึงจิตขึ้นมาที่หลวงพ่อบอกค่ะ ก็ดึงสติใช้สติดึงจิตกลับมาจิตมันตกเพราะเราไปคิดให้มันตกเองจิตตกเพราะความอยากจิตตกเพราะกิเลสความโลภความอยากพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจก็เลยตกงั้นต้องใช้สติดึงกลับมาไปไหว้พระสวด น, นั่งสวนมนต์เยอะๆพุโทโธเยอะๆอย่าไปคิดมากยิ่งคิดยิ่งตกเพราะเราคิดเรื่องที่จะทาให้มันตกไม่ได้ไปคิดเรื่องที่จะให้มันขึ้นเข้าใจไ้ม ความคิดของเนวเนี่ยมันส่งให้จิตลงก็ได้ส่งให้จิตขึ้นก็ได้แต่เราไปคิดไปทางฝ่ายต่ํามันก็เลยตกถ้าคิดไปทางความโลภความอยากมันจะตกอย่าไปคิดทางความโลภความอยากคิดไปในทางการให้การเสียสละอะอะไรจะไปให้มันไปอปล่อยมันไปตัดมันไปแล้วจิตมันจะขึ้นอมันจะเบา เราไปหนักอกหนักใจเพราะเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่เราลักเราชอบหรืออยากได้สิ่งที่เราลักเราชอบพอเราไม่ได้หรือเราต้องเสียสิ่งที่เราลักเราชอบมันก็ตกกันเองมันก็เสียใจอยงั้นเราเราต้องสอนใจว่ามันมีขึ้นมีลงของต่างๆมีมามีไปห้ามมันไม่ได้เวลาอยากจะให้มันมามันไม่มาก็อย่าไปอยากมันเวลามันจะไปห้ามมันไม่ห้มไม่ไปมันจะไปก็อย่าไปห้ามมัน ปล่อยมันไปจิตก็จะไม่เสียใจไม่ตกต่ำต้องยอมรับว่ามันมีมามีไปมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียนะถ้ามันไม่ยอมรับก็ต้องหยุดด้วยพุโทโธพุธโทโธสวดมนต์ไปนะค่ะเพราะช่วงนี้จิตไม่ฮรไม่ค่อยเบิก บ, บานแล้วก็ปฏิบัติไม่ค่อยได้เพราะมันไม่สงบไงใช่ค่ะมันไม่มีสติต้องดึงสติกลับมาก่อนคือมันมี ปัญหาตรงที่ว่ า, าโยมมีปัญหาที่เรื้อหลังมาอยู่ประมาณสองปีแล้วก็พยายามอดทนใช้ขันติบาลมีให้อภัยและพยายามที่ว่าไม่อยากไม่ใช้ความอยากเพื่อจะเปลี่ยนปัญหาแต่อยู่กับปัญหาให้ได้แต่ยิ่งยิ่งทนยิ่งทุกข์อะค่ะหมายถึงว่ามีมีได้จากการรู้ว่าร่างกายบ่วยลงแล้วก็เอ๊ะทำไม ปฏิบัติงานไม่ได้เต็มที่แล้วรู้สึกว่าอืมไม่สดใสไม่เบิกบานอ่าแปลว่าเราปฏิบัติผิดแน่เลยทําให้เราเศร้าหมองแบบเนี้ยค่ะถึงกับจุกแน่นเน่า อ, อกแบบเออเราเรามาถูกทางหรือเปล่าที่เราปฏิบัติอยู่อย่างเนี้ยค่ะมันมันอยากไงพอไม่ได้ตังใจอยากมันก็เป็นอย่างนี้ก็ตัดความอยากนะอะไรจะเป็นก็เป็นอะไรจเกิดก็เกิด อย่าไปพยายามอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้เป็นดังใจอยากมันก็จะทําให้เราเกิดอาการต่างๆขึ้นมาเข้าใจแล้วค่ะค่ะคําถามจากคุณพีโกถ้าเรากํามือจิตรู้รับรับรู้ว่ากำมือถ้าแบมือจิตรู้สึกว่าแบมืออย่างนี้เรียกว่ามีสติหรือสมาธิครับ มีสติสมาธินี้จิตนิ่งเฉยๆคำถามจากคุณรัชรัชษาพี่ชายไม่เชื่อฟังพ่อแม่ประพฤติตนไปในทางที่ไม่ดีทำให้พ่อแม่หนักใจตอนนี้ครอบครัวก็พยายามช่วยเหลือพี่ชายทุกอย่างไม่เคยดุไม่เคยว่าไม่ทราบว่ามีหลักธรรมะอะไรสอนใจพ่อแม่ได้แบบไม่ทุกไหมคะก็สอนว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมี เปลี่ยนแปลงดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันดีอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้ลูกทุกคนดีเหมือนกันหมดไม่ได้ลูกบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีเรามีหน้าที่สอนก็สอนเข้าไปสอนเขาจะทาตามที่เราสอนได้หรือไม่ได้ก็เรื่องของเขาถ้าเราไปอยากให้เขาดีหมดพอก็ไม่ดีเราก็จะเสียใจ ถ้าเขาไม่ดีก็รู้ว่ามันเป็นสัญญาณของเขาเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นส้มอยากประยากให้เขาเป็นกล้วยเขาเป็นส้มก็ต้องเป็นส้มสัญญาณเ็าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเขาเปลี่ยนได้แต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนก็ช่วยไม่ได้แต่เราไปเปลี่ยนให้เขาไม่ได้ค <c oughs c oughs> ำถามจากคุณวัศร์พระอาจารย์ครับจิตวิญญาณมีเพศไหมครับ ก็มันมีเพศตรงที่มันชอบไงถ้าจิตชอบผู้หญิงมันก็ต้องเป็นผู้ชายะถ้าจิตเป็นผู้ชอบผู้หญิงมันชาอบผู้ชายมันก็ต้องเป็นผู้หญิงจิตมันไม่มีเพศอ่ะจิตมันอยู่ที่ตัวชอบมันจะทําให้มันมีเพศอการจะมีเพศนี้มันอยู่ที่ร่างกายแต่การจะมีร่างกายก็อยู่ที่จิตเีงอ่ะถ้าจิตมัน มันเป็นจิตที่เป็นผู้หญิงมันก็ oh. มันก็จะได้ร่างกายของผู้หญิง so ถ้าจิตมันเป็นจิตผู้ชายมันก็จะได้ผู้ชายเพราะจิตผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกันผู้หญิงก็จะคิดแบบผู้หญิงผู้ชายก็จะคิดแบบผู้ชายดงั้นจะว่าเพศมาจากจิตก็ได้แต่มันไม่ได้เป็นตัวตัวตัวจิตมันไม่ได้เป็นเพศตัวที่ทาให้มันแตกต่างกันก็คือความรู้สึกนึกคิดคิดไม่เหมือนกัน คิดไปในทางผู้ชายมันก็เป็นผู้ชายคิดไปในทางผู้หญิงมันก็เป็นผู้หญิงี่ักเพนี่สลก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุตอนที่ไปเกิดจิตมันเป็นผู้ชายแต่มันไม่ได้ร่างกายของผู้หญิงอันนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุทางทางเวลาไปจับฉลากไปจับผิดเวลาไปเกิดอยากได้ อยากได้อยากได้ร่างกายของผู้ชายแต่เขาให้ร่างกายผู้หญิงมาอย่างเงี้ยร่างกายก็เป็นหญิงแต่ใจเป็นชายก็มันก็เลยเนี่ยเราต้องมันก็ห้ามมันไม่ได้ใจมันเป็นหญิงมันแต่มันได้ร่างกายผู้ชายมันก็ทําตัวเป็นหญิงเนี่ยส่วนถ้าใจเป็นหญิงแล้วมันได้ร่างกายเป็นชายมันก็ทําตัวเป็นหญิงเนมันมันอยู่ที่ใจบางทีมันไปอาจจะเป็น อุบัติเหตุทางธรรมชาติทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนทุกร้อยเอเซนี่ยมันอุบัติก็ดูการผลิตสินค้าเครื่อง iPhone ที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกเครื่องหรอกก่อนที่จะเอามาขายแล้วนี่มันจะต้องทิ้งไปหลายเครื่องเพราะเขาตรวจคุณภาพแล้วมันไม่ได้มันมีการขัดถกบกพร่องอะไระฉะนั้นเวลาเวลา ไปเกิดนี่มันก็อาจจะไปมีมีการขาดตกบวกพร่องบางอย่างจับผิดขั้วกันแม้กระทั่งเกิดมาแล้วบางทีพยาบาลยังไปจับผิดเลยเอาลูกของคนนั้นมาเป็นลูกของคนนี้พ่อแม่ก็ไม่รู้เอารูปของคนอื่นไปเลี้ยงคิดว่าเป็นลูกของตัวเองมาลู้อีกทีตอนนั้นโรงพยาบาลเข้ามาตรวจสอบดู อ, อ้าวไอ้นี่มันไม่ใช่ลูกของคนนี้เนี่ยหว่า มันเช่นนั้นมันนี่อาจจะเป็นวิธีทำให้เราเข้าใจง่ายๆก็คือใายคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติก็แล้วกันที่จิตผู้หญิงไปได้ร่างกายของผู้ชายแล้วจิตผู้ชายไปได้ร่างกายของผู้หญิงมันก็เลยกลายเป็นกระเทยไป <c oughs> แต่เขาไม่เสียหายตรงไหนหละเขาก็เป็นกระเทยเขาก็เขาก็จิตเขาก็เป็นผู้หญิงจะไปว่าเขาไม่ได้หรอกจิตเขาเป็นผู้ชายเาก็เป็นผู้ชาย แต่แต่ว่าเรามีกําหนดทางสมมุติทางโลกว่าโอถ้าเป็นผู้ชายจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้มันมันเข้าใจเขาไม่ได้เป็นผู้ชายนะใจเขาเป็นผู้หญิงใจเขาเป็นผู้ชายแต่ก็ได้ร่างกายผู้หญิงเขาก็ทําตัวไม่ถูกอะ่ะรู้ไหมร้อยร้อยชาติพันชาติมาเขาก็เป็นผู้ชายมาตลอดแล้วอยู่ๆจะมาให้เขาเป็นผู้หญิงเขาทาตัวไม่ได้หรอกใช่ไหมอ่างั้นอย่าไปโกรธอย่าไปอย่าไป อย่าไปดูถูกดูแคลนอย่าไปรังเกียดคนเหล่านี้เขาเป็นเหมือนเราเพียงแต่ว่าเขาโชคไม่ดีเขาไปได้ร่างกายผิดเพศของเขานั้นเองนะต้องถือว่าไม่เสียหายตรงไหนความเสียหายไม่ได้อยู่ที่ความชอบเป็นหญิงหรือชอบเป็นชายเสียหายอยู่ที่ทำบาปหรือไม่ทำบาปเราเลือกคบคนอ ย, อย่าไปเลือกว่าเขาเป็นกระเทยหรือเป็นหญิงเป็นชายล้วเลือกคบคนว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดี เขาทำบาปหรือไม่ทำบาปเขาทำบุญหรือไม่ทำบุญให้เลือกตรงนั้นก่นเราวัดที่ตรงนั้นวัดที่ความดีหรือความชั่วเราไม่ได้ไปวัดที่เพศของเขาคำถามจากคุณนิตยาคนที่จะเข้ามาสนใจทางธรรมนั้นต้องถึงเวลาของเขาหรือเปล่าคะมันก็ต้องถึงเวลาถ้าไม่ถึงมันก็ไม่เข้า <laughs> ที่มันจะถึงอยยังไงก็แล้วแต่ บางคนก็ได้เจอมีเพื่อนเอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านบางคนไม่สบายใจไปเปิดอะไรธรรมะฟังแล้วทำให้สบายใจขึ้นม า, ามันก็ถึงเวลาอย่างเรามีญาติคนหนึ่งเราก็ส่งหนังสือของเราไปให้เขาเป็นสิบปีแล้วมั้งเขาบอกเขาไม่เคยอ่านเลยใช่ัหม <c oughs> แล้ววันดีคืนดีเขาทุกข์มากไม่รู้จะหาที่พึ่งไง <c oughs> ก็เลยลองเปิดหนังสืออ่านดูว่าอ่านแล้วทำให้ใจสบายขึ้น ตอนนี้ก็เลยติดใจสนใจศึกษาธรรมะอยู่ะที่หนูเข้าาวัดนี่ก็เพราะพระอาจารย์เชียวค่ะพอหนูก็ทุกข์ก็พระอาจารย์ก็บอกว่าให้มาฟังที่เหตุอ่านันมันต้องมีเหตุการณ์แล้วมีอะไรที่มาทำให้จิตใจเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสรับรู้อย่างเราเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยสนใจเรื่องเข้าวัดเข้าว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นก็วันดีคืนดีได้คุยกับคนหนึ่งเขา เาก็เอาหนังสือมาให้อ่านหนังสือธรรมะเล่มแรกพออ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดความเข้าอะไรสบายอกสบายใจขึ้นเยอะแยะก็เลยเห็นว่ามีคุณประโยชน์ก็เลยหาหนังสือธรรมะมาอ่านยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้แล้วพอรู้แล้วพอลราไปปฏิบัติก็ยิ่งเห็นผลยิ่งติดใจมันแต่ละคนมันก็แล้วแต่จังหวะเวลาของชีวิตโยมเข้าวัดเมื่อก่อนก็ทาบุญเฉยๆยังไม่ได้คิด พอมาดูยมอ้อยพาเพื่อนมาตอนนั้นนะคะที่เป็นมะเรองเห็แล้วก็ยังไม่ได้เกตอะไรจนมาฟังเฟซลูกผู้อาวุโสบอกว่าคนเหล่นี่ยจะหมดความทุกข์ได้ก็ต้องให้ละความอยากกับไม่อยากถ้าหยุดไอ้สองส่วนนี้ได้มันก็จะมีความสุขดวงว่าเอ้ยมันจริงอะแต่คงทำยากดวอก็เลยก๊อกค่ะปฏิบัก็มาผัดทำให้มันมาฝึกใจให้ทําให้ได้ถึงแม้จะรู้แต่ยังทําไม่ได้ก็ต้องมาฝึก มาทําใจให้ได้หยุด <Okay. S 1> หยุดความอยากให้ได้หน้าที่เราคือเป็นตัวกลางระหว่างองคอ์กรและลูกจ้างอะไรที่ดีเราจะมาเสนอเพื่อให้ได้สิ่งดีๆแต่บางครั้งการทําเรื่องถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจผู้จัด ก, การบางท่านหรือเราต้องคอยตามเจ้าขะโดยไม่คํานึงถึงหน้าที่หรือเรียกว่าจรรยาบรรนการทํางานของฝ่ายตัวเองพึงอันจะมีมันก็ไม่สุดตรงทั้งสองอย่างอ่ะ หน้าที่ทำได้ก็ทำไปแต่ถ้าทำแล้วมันไปสร้างปัญหาก็จะต้องต้องลดการทำหน้าที่ของเราลงลดบทบาทอย่าไปยืนยันในหน้าที่บางทีหน้าที่ของเราเขาอาจจะรับไม่ได้จรรยาบรรณหรือมาตรฐานที่เรากำหนดให้เขานี่เขาเอาไปปฏิบัติไม่ได้ถ้าไปบังคับเขาก็จะเกิดแอนตี้กันเกิดการเกลียดชังกันขึ้นมาได้ มันก็ต้องดูแต่สถานการณ์ดูความเหมาะสมว่าเราทำได้มากน้อยเท่าไหร่แล้วอยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบของเราที่ต้องทำหรือไม่ถ้ามันอยู่ในความขอบเขตของรับผิดชอบต้องทำทำแล้วเขาไม่พอใจก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าเราก็อาจจะต้องสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาแต่ถ้าเราไม่อยากจะสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาแล้วก็เปลี่ยนงานซะถางานนี้ทำแล้วไปสร้างเวรสร้างกรรมกับคนอื่นพอเราต้อง ไปบังคับเขาต้องไปอะไรเขาแล้วเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับเขาเราก็ต้องเปลี่ยนงาน<ม>แต่ถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนงานเราก็ต้องยอมรับผลของการที่เราไปอทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แต่ไปทําให้คนอื่นเขาเกลียดชังเราขึ้นมาได้ดังน<ม>ั้นบางทีเราก็ต้องชั่งน้ําหนักดูว่าเราจะเอาอะไร ถ้าเรามีความทุกข์กับเรื่องงานควรจะทําอย่างไรครับถึงจะไม่เป็นทุกข์กับเพื่อนร่วมงาน อ, อ๋อก็ไปบวชสิออไอบวชแล้วไม่มีความทุกข์กับเพื่อนร่วมงานออถ้าถ้ายังต้องทํางานก็ต้องทําใจอย่าไปยุ่งกับเขา เ, ออเขาจะพูดอะไรก็จะทําอะไรก็เฉยไปออทําตัวคิดว่าเราเป็นลูกจ้างเขาก็แล้วกันเป็นลูกน้องเขา เขาเป็นเจ้านายเราเขาจะพูดเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาหนูพยายามพูดดีทดําดีคิดดีสวดมนตร์รักษาศีลและภาวนาแต่ทําไมหนูยังฝันร้ายอยู่บ่อยๆคะและก็ฝันเยอะมากจนทําให้เหมือนไม่ได้นอนเหมือนสมองทํางานทั้งคืนจนทําให้ตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนมันเป็นเพราะอะไรและหนูควรทําอย่างไรเพราะกรรมเก่ามันมากไงกรรมใหม่มันยังน้อยอยู่ เมือนเสื้อผ้าที่มันสกรปรกมากเอาไปแช่น้ําแค่ห้านาทีแล้วก็ซักเอาขึ้นมาตากมันก็ยังไม่หมดเนื้อไม่มีแฟบไม่มีผงซักฟอกที่มีพลังสูงนั้นบางทีคนเรามักจะมองว่าการกระทําของเรานี่เยอะวันนี้สวดมนต์ไหว้พระแค่ห้านาทีก็บอกหนูได้ทนนําสวดมนต์ไหว้พระแล้วทำไมายังฝันลายอยู่ก็มันยังทําน้อยอยู่ ไอตัวผลนะ่ะมันบอกเราว่าเราได้ทําน้อยหรือทํามากถ้ามันยังฝันล้าอยู่ก็แสดงว่าเรายังทําน้อยยังทําทไม่พอต้องทําให้มันมากกว่านี้จิตยังไม่รวมจิตยังไม่สงบเนี่ยสวดไปแต่ใจก็ยังคิดนูน่นคิดนี่อยู่อย่างนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราสวดเราแล้วเราจะได้ผลส่วนนี้บางทีสวดไปเหมือนส่วนแล้วมันเหมือนก็ไม่ได้ผลเหมือนไปตกปลาเนี่ย ไปตกปลาต้องเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงนั่งตกอยู่นั่นน่ะแต่ไม่ได้ปลาชักตัวแล้วก็มาบอกว่าวันนี้ไปตกปลาต้องเจ็ดเจ็ดแปดชั่วโมงนี่ก็เหมือนกันนั่งสมาธิเจ็ดแปดชั่วโมงแต่ไม่สงบเลยฟุ้งอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่เรื่องนั้นคิดอยู่เรื่องนี้มันก็เหมือ น, นไม่ได้ส่วนน่ะด uh ังนั้นมันต้องออมันต้องดูการการะทำของเรา ว, ว่าเราทาถูกต้องหรือเปล่าทำแล้วได้ผลหรือเปล่า uh huh. แล้วก็ไปวัดผลที่ผลที่เราต้องการจะได้ว่ามันมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมถ้าสวดไปแล้วทำบุญไปแล้วมันยังฝันเหมือนเดิมอยู่ก็แสดงว่ายังทำน้อยไปหรือไอบาปกรรมที่เราทำมามันยังมาเยอะอยู่คำถามจากคุณสุดาวัน ณปัจจุบันเราไม่ทําผิดศีลการผิดศีลในอดีตที่ผ่านมามีผลต่อนั่งสมาธิในปัจจุบันทําให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าไหมคะก็ไม่แน่บางทีแล้วนั่งแล้วไปนึกถึงบาปที่เราทํามันก็ทําให้เราไม่สบายใจได้ถ้ามันไม่มาลบมันถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่มาลบกวนใจเราแต่ทั้งที่บางทีมันนั่งแล้วมันเผลอไปคิดถึงบาปที่เราทํา เกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมามันก็ทําให้ใจสงบไม่ได้คําถามจากคุณนุกูลจิตขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ครับเคยได้ยินพระท่านว่าคนเราทุกคนมีเทวดารักษาประจําตัวทุกคนจริงหรือไม่ครับทุกคนหรือไม่ไม่รู้แหละแต่คนที่มีความเมตตาเนี่ยจะมีเทวดารักษาเป็นหนึ่งในะอ น, นิสงค์ของผู้มีความเมตตา อันนี้สง์มีอยู่11ข้อมั้งสำหรับผู้ที่มีความเมตตามีความเมตตาไม่ได้หมายความว่าสวดบทแผ่เมตตานะสวดนั้นไม่ได้มีเมตตาเขาเนี่ยไหสวดมันเป็เพียงแต่ศึกษาเรียนรู้ว่าการจะมีเมตตาทำอย่างไรคนที่จะมีเมตตาต้องมีเมตตาจากการกระทำํำเช่นใครด่าเราก็สาธุไม่โกรธเขาให้อภัยเขาใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาใครไม่มี มีขนมก็ามาฝากมาแจกกันอยนี้ถึงเรามีความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาท่านบอกว่าหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายอมมนุษย์ก็คือพวกที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์เช่นเดรฉาหมามันยังรักคนที่มีความเมตตาเลยใช่ไหมแล้วก็เทวดาคุ้มครอง เนี่ยคืออา น, นิสงส์ของผู้มีความเมตตาคนที่ไม่มีความเมตตาเทวดาก็ไม่มาเกี่ยวข้องด้วยหรอกเหใจไหมยังไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเทวดาคุ้มครองค น, คนที่จะมีเทวดาคุ้มครองต้องเป็นคนที่มีความเมตตาต่อผู้อื่นคำถามจากคุณติ่งครบผมปฏิบัติมาโดยให้สติอยู่กับพุทโธและลมหายใจเข้าออกไปพร้อมๆกันอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ ไหว่าไหมเนี่กระผมปฏิบัติมาโดยให้สติอยู่กับพุทโธและลมหายใจเข้าออกไปพร้อมๆกันอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าตอนนั่งก็ถูกต้องแต่ถ้าเวลาอื่นนี่อาจจะให้สติอยู่กับพุทโธกับงานที่เรากาลังทาอยู่อย่าไปอยู่กับลมเช่นขับรถอย่าไปพุทโธนลดูลมไม่ไปดูรถไม่ดูถนนอย่างนี้ ก็ต้องดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ต้องถ้าขับรถก็ต้องมีสติอยู่กับการขับรถแล้วถ้าใจมันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ใช้พุโทโธหนึ่งมันกลับมาให้มันมาอยู่กับการขับรถนี้ mm hmm. เช่นเดียวกับเวลานั่งสมาธิดูลมแล้วมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุโทโธหนึ่งมันกลับมา mm hmm. นี่คือลักษณะของการใช้พุโทโธผสมกับอย่างอื่น mm hmm. ขอโอกาสท่านพระอาจารย์อธิบายความหมายอย่างชัดเจนในคำว่าปล่อยวางว่าดำเนินอย่างไรในทางธรรมคะก็ปล่อยไงแล้วก็วางอย่าไปแบกอย่าไปแ บ, แบกเรื่องนั้นที่เราหนักออกหนักใจเพราะเราไปแบกมันไม่ยอมวางเางงขื่อหมของเนี่ยรถของมันจะหนักขนาดไหนถ้าเราไม่ไปแบกมันไ ม, ไม่หนักหรอกรถเนี่ยมันหนักไหมเราลองไปยกมันสีนหนักแต่ถ้าไปนั่งไปขับมันไ ม, ไม่หนักหรอก งั้อย่าไปอย่าไปแบกรถขับรถได้อย่าไปแบกแฟนอย่าไปแบกเงินแบกทองแบกอนนู้นแบกอันี้แบกก็คืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นเรียกว่าความหมายของความความปล่อยวางก็คือไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆถ้าเราไม่มีความอยากปล่อยมันมันก็เบาแต่ถ้าเราไปอยากมันก็จะหนักขึ้นมาอยากได้ให้อยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็ทาให้เราหนักขึ้นมา อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม่ก็เลยหนักเหมือนกับไปแบกลูกใช่ไหมแบกทั้งๆที่ยังไม่ได้อุ้มเลยเพียงแต่เพียงแต่อยากให้เขาดีอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นก็หนักออกหนักใจขึ้นมาแล้วการปล่อยก็คือปล่อยเขาไปอปล่อยเมื่อเมื่อสอนเขาแล้วก็ต้องปล่อยเขาเราจะไปทําอย่างไรเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้แล้วแต่เวแต่กรรมหออนั่นแหละก็เราทําหน้าที่ของเราแล้วนี่เราสอนเขาแล้วบอกเขาแล้ว เขาจะไปทางที่เราบอกหรือไม่ไปเราก็ต้องปล่อยเขาเดินไปว่าจะกากเรียนอเอาไม้ไปถ้าจะพูดก็ต้งเอาไม้ไปอย่างหนูทำบุญกับพระอาจารย์อย่างนี้ค่ะอุทิศบุญให้บิดามารดาปู่ย่าตายายบารรพบรุษแล้วเจ้าที่เจ้าทางจะได้รับผลบุญเป็นปัจจัยแม่เจ้าขะ บุญมันไม่ใช่เป็นปัจจัยบุญก็เป็นความสดใจอิ่มใจอ๋อ oh. ส่วนเขาจะรับหรือไม่รับผู้ที่ว่าเขาตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่ได้อยู่ที่เขาเขารับได้เขาก็ไม่ได้รับ oh. เพราะตายไปแล้วนี่มันไปเป็นได้หลายอย่างเป็นเทวดาก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้เป็นเปร ก, กก็ได้ไปนรกก็ได้มันเป็นได้หลายอย่างผู้ที่จะรับได้คือพวกเดียวพวกขอทาน พอทานนี่เราเรียกว่าเปรตเท่านั้นเองถ้าเขาไม่ได้เป็นเปรตเขาก็ไม่ได้รับเจ <Okay. S 1> วิธีที่เป็นเปรตทำไงรู้ไหมความทำบาปด้วยความโลภเนี่ยเห็นไน่ยขโมยเงินของคนอื่นมาเนี่ยโลภแล้วอยากได้เงินเขาก็ไปขโมยแทนที่จะไปทำมาหากินอย่างสุดเจริญก็ไม่เอาขโมยเงินคนอื่นดีกว่าท่าน ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตเราอยู่กับคนเข็นแก่ตัวจะทำอย่างไรคะก็ปล่อยเข้าไปเลยเขาเขาเป็นถนัดมือซ้ายก็ปล่อยเขาไ้ก็ถนัดมือซ้ายไปก็ถนัดมือขวาก็ปล่อยก็ถนัดมือขวาไปใช่ไหมเราไปเปลี่ยนเขาได้ป่ะเฮ้ย ใ, ใช้มือขวาสิอย่าไปใช้มือซ้ายได้ป่ะเฮ้ยอย่าเห็นแก่ตัวสิแล้วเขาไม่เห็นกับตัวป่ะใช่ไหม เมื่อเรารู้ว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเราต้องอยู่เขาก็อยู่เขาไปก็ปล่อยเขาไปเนี่ยปล่อยวางเนี่ยความหมายของปล่อยวางก็คือปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาในเมื่อเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเป็นส้มอย่าไปอยากให้เขาไปเป็นกล้วยเข้าใจไหมเขาเป็นส้มก็ปล่อยเขาเป็นส้มไปแล้วเราจะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะอยากจะไปเปลี่ยนเขาเขาเห็นแก่ตัวอยากจะให้เขาไม่เห็นแก่ตัวมันก็เดือดร้อน แต่ถ้าเขาเห็นกับตัวก็ปล่อยเขาเห็นกับตัวไปเราก็ไม่เดือดร้อนหมดแล้วเลยคําธรรมจ้าคุณไอเบอร์รี่ค่ะความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการดูจิตต่างจากความคิดที่เกิดขึ้นอย่างไรคะแล้วจิตทําหน้าที่เป็นตัวคิดหรือเปล่าคะเพราะหนูเข้าใจมาตลอดว่าการดูจิตคือการดูอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานั้นซึ่งต่างซึ่งต่างจากความคิดโดยสิ้นเชิงคะ่ะกราบขอคําแนะนะําค่ะ ความคิดตรุงแต่งก็คิดว่าวันนี้จะไปทําอะไรไปกินอะไรนี่เรียกความคิดปรุงแต่งส่วนอารมณ์ก็คือดีใจเสียใจเศร้าใจโกรธเกลียดนี่ก็เป็นอารมณ์อารมณ์มันก็เกิดจากความคิดคิดคิดไม่ชอบคนนั้นก็โกรธขึ้นมาคิดชอบคนนั้นก็เกิดความโลภขึ้นมานี่นมันเป็นของที่มันเกี่ยวเนื่องกันอารมณ์นี่มันเกิดจากความคิดต่างๆ เวลาเราคิดคิดเรื่องที่ดีก็อารมณ์ดีฮะคิดเรื่องที่ไม่ดีก็อารมณ์ไม่ดีค่ะำถามจากคุณหนุ่มบ้านนอกกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับกระผมปฏิบัติโดยการดูจิตจะทําอย่างไรให้สามารถขึ้นมิปัสสนาจริงๆถึงขั้นบนรรลุธรรมได้ครับไม่รู้ว่าดูจิตดูเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดอย่างนี้ไม่รู้จะสอนอยังไงดี ถ้าดูจิตได้นี่มันต้องเป็นผู้ที่ได้จิตได้ได้สมาธิแล้วถึงจะดูจิตได้ถ้าดูจิตแล้วหยุดมันไม่ได้ก็อย่าไปดูให้มันเสียเวลาการดูจิตเพื่อหยุดมันเวลาที่มันจะซนก็หยุดมันเวลาที่มันจะไปทำบาปไปทำไรสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องหยุดมันได้ถ้าหยุดมันไม่ได้ก็อย่าไปดูจิตให้เสียเวลาฉะนั้นก่อนจะดูจิตได้ต้องหยุดจิตให้ได้ก่อน แล้วถ้าหยุดจิตได้แล้วถึงจะไปขั้นวิปัสนาได้วิปัสนาจะสอนว่าทำอย่างไหนถูกทำอย่างไหนผิดเวลาจิตจะไปทำสิ่งที่ผิดเราจะได้รู้ว่าทาอย่างนี้ไม่ได้เราก็จะหยุดมันเราก็หยุดมันได้ถ้าเราเคยหยุดมันมาแล้วแต่ถ้าเราหยุดมันไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันไม่ดีจะไปกินเหล้าอย่างนี้มันจะไปกินเหล้าเรารู้ว่าไม่ดีแต่เราก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเราเราต้องฝืกหยุดมันก่อน หยุดมันก่อนพอหยุดมันได้แล้วเวลามันจะไปทําอะไรไม่ดีเราก็หยุดมันได้งั้นมันมันพวกที่ดูจิตนี้เราไม่ค่อยมั่นใจว่าดูอะไรคําว่าดูจิตก็ไม่รู้ว่าเขาดูอะไรเพราะคําว่าจิตนี้มันมันมันกว้างขวางไพศาลมากแต่ถ้าพูดตามหลักแล้วการจะดูจิตนี่ก็คือดูว่าจิตกําลังดีหรือกาลังไม่ดีกําลังจะไปทําดีหรือทาไม่ดีะ ถ้าดูแล้วรู้แล้วเราหยุดมันไม่ได้ก็อย่าไปดูมันะงั้นก่อนที่จะไปดูมันต้องไปหัดหยุดมันก่อนให้มันอยู่เฉยๆให้มันนิ่งให้ได้ก่อนให้มันเป็นสมาธิให้ได้ก่อนพอเราหยุดมันได้แล้วต่อไปเวลามันจะไปทำอะไรไม่ดีเราก็สั่งให้มันหยุดได้คําถามสุดท้ายคําถามจากคุณสุวรรณาผู้รู้เป็นผู้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายและอาการของจิตถูกต้องหรือไม่คะ พู้รู้คือผู้ที่ผู้ที่สติดึงให้มารู้ผู้รู้นี้ถ้าไม่มีสติมันก็จะไม่รู้ว่ามันจะดูอะไร ม, มันก็อาจจะดูแต่เรื่องที่ปรากฏให้มันรู้ถ้าจิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันก็จะรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยมันก็จะรู้เรื่องเรื่อยเปื่อยไปแต่ถ้ามีสติสติก็จะสามารถควบคุมให ให้ให้ให้รู้แต่เรื่องที่ควรจะรู้ให้ไม่ให้ไปรู้ในเรื่องที่ไม่ควรจะรู้ผู้รู้นี้เป็นผู้รู้เฉยๆแต่จะรู้เรื่องไหนนี่อยู่ที่สติเป็นผู้คอยควบคุมถ้าไม่มีสติคอยควบคุมมันก็จะสเปสปะไปตามความคิดของของจิตจิตอยากจะคิดอะไรมันก็จะรู้เรื่องนั้นไม่อยากจะคิดเรื่องนี้มันอยากจะคิดเรื่องนั้นมันก็ไป อันนี้ลักษณะแบบไม่มีสติจิตที่ไม่มีสติจะถูกกิเลสเป็นผู้พาคิดเนี่ยก็จะคิดไปทางความโลภความอยากแล้วก็มาเสียใจทีหลังเวลาโลภหรืออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้ามีสติก็จะหยุดได้เวลาเวลาจิตจะคิดไปทางความโลภความอยากก็หยุดมันเสียหยุดแล้วมันก็ความความเสียใจก็จะไม่เกิดขึ้นมาความทุกข์ก็จะไม่มา ยังตัวรู้ไม่มีปัญหาล่ะตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวที่ไม่มีตัวตัวคิดแล้วก็ตัวตัวตัวตัวสติถ้าไม่มีสติก็หยุดความคิดที่ไม่ดีไม่ได้ยังต้องมาฝึกสติมาหยุดความคิดกันให้ได้เพื่อเราจะได้คอยควบคุมให้มันคิดไปในทางที่ดีถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีก็หยุดมันเสีย ถแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปพิพพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ